บทที่สิสัตว์ใหญ่สีขาน้ำหนักและขนาดตัวอันมากมายควบจะบึงเข้าถึงตําหน่งที่พันใหญ่และปริศนายิงกันอยู่เมื่อเสี้ยววินาทีที่แล้วภายในพิษตายิงภัยขนาดใหญ่ที่ทอดโน้มลงมาขวางทางถูกปะทะผักตูมพร้อมกับฝุ่นกระจายฟุ้งระยะมันเฉียดผ่านจากบุคคลทั้งสองซึ่งล้มกลิ้งโน่นเนียกันอยู่ในขณะใ น, น, นไม่เกินกว่าหนึ่งว่าจนรู้สึกได้ถึงความสะเทือนของแผ่นดิน มันคำจะอยู่ในภาวะเช่นไรบ้างในขณะนี้รพินไม่อาจเห็นได้แต่จากทิศทางการยืนอยู่แต่แรกนั้นถ้าพลาดจากเข้าและคริสมันจะต้องแผ่นผ่านไปยังด้านที่ซาเท่ายืนอยู่แน่นอนซึ่งห่างออกไปไม่เท่าไหร่นักตัวเขาเองในขณะนี้ยังตั้งหลักไม่ติดดูแต่เพียงไรคนิลหลุดหายจากหางมือออกไปประมาณสองวาและในสภาพที่ยังกลิ้งประแคงอยู่นั้นร่างของคริสคล่อมทับอยู่บนตัวเขาไม่เกินหนึ่งในสิบของวินาทีต่อมาจากโสดประสาทอันตื้ออึ้งของเขา ได้ยินเสียงทุ่งหนักของ 35, กระสุน .375 magnum ระเบิดเปรี้ยงปะทไปกับเสียงร้องว่าของซาเท่าบุญคําคริสเวลล์เหลือเกินสําหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นเร็วกว่าที่เขาจะคิดถึงมาก่อนตอนเห็นพวดขึ้นยืนและกระโดดออกไปกลางทางด่านในขณะนั้นมี AR15 ว์หน่าในระดับเอลดูลักษณะการยิงคอมแบกเขาเพียงแต่อ้าปากเท่านั้นย้ําทันจะดุดเสียงใดๆออกไปเสียงรัวของกระสุน .5.50 มมในสภาพフルออโต้ก็กบเสียงทั้งมวลลงหมดสิ้น มันดังขึ้นเป็นชุดสนั่นหวั่นไหวเราแก้วถึงหนูจะแตกเสียมันแผดแหลมป้องภายในดงไถ่ทึบฟังพิกลผู้ถึงผู้ยานอยู่ในภาวะชุนมุนไปหมดคริสดูเหมือนจะกดออกไปประมาณเจ็ดถงแนัดและพินตะกายตัวเองขึ้นมาที่ไหล่ขั้นของเขาส่วนตาก็มองไปยังดาดที่กําลังพุ่งไปด้วยฝุ่นเขาเห็นไอกทียมหาการตัวนั้นมันเอี้ยวตัวและแหวงกลับด้วยอาการสะบัดพืชเห็นโลน ยังซุ้มไผ่ที่ขวางกั้นอยู่ไม่เกินกว่า15หลาบริเวณลำตัวด้านซ้ายของมันบัดนี้เป็นจุดสีแดงเห็นปรากฏชัดจุดสามี่จุดเข้าสะโพกบ้างช่องท้องบ้างและแนวขาหน้าบ้างจากการสายกระสุนรัวแบบปืนกลของซัสเซนาและมันก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาที่พุ่งจะเห็นสัตว์ใหญ่ขนาดกระทิงถูกรัวด้วยปืนกลชนิดใช้ติดตัวแบบขลล่ม มันเส้นตัวลอยขึ้นมาทั้งตัวสบัดเที่ยวตัวซ้ายขวาแสัญลักษณ์เจดพรางแห่ ง, งความเจ็บปวดแคงเตืองอย่างเต็มที่แล้วก็เชื่องช้าลงไปมากก่อนที่จะหันตัวกลับมาเผชิญหน้ากับผู้ที่ยืนซัดมันอยู่ซึ่งซึ่งหน้าด้วยกระสุนหน้าตัดเล็กแรงกระทกน้อยสําหรับน้ําตัวของมันในขณะนี้แถมหน้าการยิงไปอยู่ในระบบอัตโนมัติเต็มตัวอันเป็ น, นกลไกที่ได้เปรียบของปืนและผมทอกดเข้าไปใส่อีกพลื่นหนึ่งขณะที่มันสบัดก้มหัวขยับจะวิ่งเข้าไปยี่ คามนี้เห็นชัดจริงไพยด้านหลังในระดับที่สูงกว่าลําตัวของมันขายกระจุยล้มละเนระนาดและมีบางนัดที่ถูกข้อเท้าด้านหน้าของมันทําให้เอียงสุดหัวขมาลงไปแต่แล้วก็พวดพลาดขยุกขย็ดคอเข้ามาอีกระวังถูกบนคํานะอย่ายิงรัวนักมีเสียงอยู่เท่านั้นเขาก็จะโกนออกไปเต็มที่โดยเท่ากระแทกหลอดอีกครั้งหนึ่งร่างของคริสถูกชนลมคลิ้งไปยังโคนไผ่ไปครั้งที่สองในขณะที่ยืนแทนที่วาดไล่เล่นลง จะหยุดไอกระทิงบ้าเลือดตัวนั้นลงให้ได้ในแน่แน่ในกระสุนนัดเดียวใจพอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวปัญหาเรื่องการชาร์จเข้าใส่ของกระทิงไม่ใช่ปัญหาหนักใดทั้งสิ้นแต่ที่กลัวจนทำอะไรไม่ถูกในขณะนี้ก็คือกลัวที่จะน้าจะยิงเอ็ม16แบบคนลกอันเป็นตือประจำมือของหล่อนเปะปะออกไปด้วยความตื่นเต้น ในลักษณะลัวไม่ยัง้งซึ่งกระสุนอาจจะปิวไปถูกปุ่นคาซึ่งยังไม่รู้ว่าในขณะนี้แกนหลุกซ่อนอยู่ที่ไหนหรือไมิเช่นั้นวิศีกระสุนก็จะวิ่งสวนทางออกไปอย่างพพวกที่กําลังเดินตามเข้ามาไปชิวแถวอยู่ในขณะนี้เขายังไม่ทันจะตั้งเป้าหมายแม่ผมทองผู้ลงไปหมอบกระแตอยู่ในขณะนี้ก็กดฟังปังๆออกไปอีกชุดหนึ่งจากท่าที่นอนหมอบอยู่ในขณะนี้โดยไม่ฟังเสียงกระทิงร้ายขือโยก เ, เข้ามาได้เพียงสองช่วงลาตัวของมันเท่านั้นก็สุดทั่วขมําหน้าไปอีกครั้งหนึ่ง แล้วก้มตะแคงมงตึงกับพื้นขาทั้งสี่ข้าศีบษิน拉อากาศอยู่ไปมาคนตะลบไปหมดร <c oughs> ะเพินประทับปลายเพื่ค้าง <c oughs> เขาไม่ได้ยิงซ้ำเลย <c oughs> นอกจากช่องปืนระวังอยู่ <c oughs> ยเช่นนั้นอาการของมันดูจะทรมานมากพยายามจะลุกและล้มยักแย่ยักยันอยู่เลือดอาบทั่วทั้งตัวกายลุกขึ้นยืนไม่ได้ไม่ว่าจะใช้ความพยายามสักเพียงไหนแต่ลําคอ ย, ยังเชิดจางานพร้อมทั้งเหวี่ยงศีรษะอยู่ไปมาผิดอากาศพลรวัน น้ำลายปนเลือดภูมปากเสียงพูดฟัดพูดฟัดดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วคริสขึ้นโผงขึ้นมายืนอีกทวดเดียวหลอนก็กระโจนมาที่เขาซ้ำ ส, สี่ยืนช่องปืนอยู่ทําไมกันนะ่ะดอนร้องเสียงแหลมลั่นรัฐินไพร์วันจ้องที่กระสุนใหญ่ตัวนั้นเขารู้แน่ว่าขาหน้าของมันในระดับข้อเท้าทั้งสองข้างหักหมดสิ้นแล้วด้วยกระสุนปืนกลของคริสตี่กนํางใส่อย่างไม่ยัง้งราวกับประจัญบานยิงกราดในสมรภูมิตลอดทั้งลําตัวก็เป็นรูคุณไปหมด ด้วยกำลังฟูฟ่องนับแผลแค่จะไม่ท่วนจอมพลานสะโพกอึบกิบในลาคอค่อยๆลดไหงเคลื่อนลงหันมามองหน้าอเมริกันสาวสวยอย่างมงุกิจใจเดือดดาลเป็นที่สุดและขณะนั้นเองเสียงออดเรียบจากปืนประจำตัวของเขาและคริสก็ดังขึ้นพร้อมๆกันหมดแสดงว่าพักพวกที่เดินตามมาด้านหลังกําลังเรียกไม่มีปัญหาพวกนั้นคงได้ยินเสียงเปืนรัวสนั่นบ่นไหวไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งยัเอ็มหนึ่งหกของคริส แต่ข้างเ้าและหล่อนก็ยังไม่อยู่ในสถานะที่จะสนใจของประียุนั้นได้ในขณะนี้ส่วนวินคํานั้นเงียบเกิดไม่รู้เป็นตายร้ายดีอยู่ที่ไหนในระแยบะบใกล้ๆนี้ข้างไอ้กระทิงร้ายตัวมอือหมาก็ยังนอนตะแคงยืนกระเดวกระเดวชัวคออยู่เช่นนั้นเมื่อเห็นเขายืน ม, มองหน้าเฉยเพร่อก็ผักสวิตบังคับาการยิงตำแหน่งรัวไปยังตำแหน่งทีรนัดและประทับข้ามโลหะซึ่งแนบไหล เลงปราณี้ไปยังศีรษะนั้นปังเดียวเจาะทะลวงเข้าไปกลางหน้าผากในระหว่างช่องตาทั้งสองข้างหัวมือมาประกอบไปด้วยเขางงคุ้มแต่สั้นสะบัดหูแล้วซบราบลงกับพื้นดินทันทีขาทั้งสีทีบอากาศอยู่ไปมาเหยียดเกรงสั่นลพลิ้วแล้วค่อยๆสง บ, บนิ่งลงเป็นลำดับกองพันเมินอยู่ตรงนั้นเองหลอนลดปืนลงเข้าห้ามไกลแล้วหันมามองหน้าเขาอีกครั้งพูดหอ บ, หอบ ฉันไม่เข้าใจคุณเลยนะมาวของพานยาตาพินเป็นแบบนี้เองหรือไม่ยิงสัตว์ใดที่ล้มลงไปแล้วอย่างนั้นกระมังคุณคงจะมีความภาคภูมิใจมากนะที่สามารถคว่มตระติงตัวนี้ลงได้ด้วยปืนที่ออกแบบมาเฉพาะการฆ่าคนของคุณเสียงของเขาแหบข้วนป้ายแขนเสื้อเช็ดเหนื่อบนใบหน้าแต่คิดบ้างไหมว่าลูกปืนของคุณที่ยิงรัวออกไปนั้นมันจับฟิลไปไหนต่อไห น, ไหนบ้างบุญคาอยู่ที่ไหนและพวกเราที่กําลังเดินตามมาในขณะนี้นะ่ะ ถ้าไม่มีใครเจอลูกหลงของคุณเลยก็นับว่าเป็นโชคตีมากเหมือนกันคิดหรือที่ฉันป้องกันตัวเองน่ะโดยไม่ได้งอมืองอเท้าปล่อยให้เป็นภาระของคุณคนเดียวซึ่งควรจะหลบตัวอยู่นิ่งๆแล้วก็คอยคุณหรือว่าบุญคำจัดการมันอย่างนั้นน่ะเหรอถ้าอย่างนั้นเราก็ขอโทษด้วยนะฉันอาจจะตื่นเต้นมากเกินไปหน่อยควบคุมสติตัวเองไม่อยู่คริสบอกความสับสนแต่ที่นึงแล้วป้องป่าสโตรเรียกคุณคําเสียงตาเท่าร้องตอบออกมาจากที่ใดที่หนึ่งหลังความทุอขของดงไผ่ หยุดยิงกันหรือยังแมมคุญคาไม่กล้าโผลออกไปเลยเคล็ดศบตาเคลียร์ครั้งหนึ่งแล้วยิ้มให้ไม่เห็นสีหน้าของรพินดีขึ้นเห็นไหมตาบุญคําไม่ได้เป็นอะไรหรอกฉันรู้สิเพราะฉันแน่ใจว่าควบคุมวิถีกระสุนได้ทางข้อตะโกนถามไปอีกปลอดภัยเรียบร้อยดีหรือเปล่าบุญคำํำไอเรียบร้อยนะเรียบร้อยหรอกแหม่มแต่หูดับดับไมมไปหมดแล้วแม่มยิงต้นไผ่ขาดลงมาสูงตัวครับบุญคํายังกะจะฝังกันอย่างนั้นแหละอู้หมดกัดให่แล้วเว้ย ออกมาได้แล้วทั้งนี้เรียบร้อยแล้วหล่นต่อไปต่อมาก็ได้ยินเสียงแหวกหิไถ่พร้อมกับบนอู้ที่วมไม่ถึงสุดใจตาเท่าบัญคําก็โผล่ออกมาจากกองไถ่ด้านหลังที่กระถิงตัวนั้นลมอยู่เดินหน้ามุ่ยเข้ามาหาแล้วหยุดเย็นพิจารณาอยู่ที่ซากกระถิ่งอันโชคเลือดฟางโครงหัวจุปา ก, กจิกๆวิทยุประจำตัวของหลอนละละพินก็ยังคงกดออดเรียกทีทีอยู่เช่นนั้นคริสหิบขึ้นมาเปิดสวิตทันทีที่เครื่องรับทํางาน เสียงภาพพวกก็ถามกันมาเชิงแท้จนฟั่งแท้จะไม่ได้สักเสียงที่ระล่ำระลักเหนือความคนอื่นดูเหมือนจะเป็นเสียงของคิดเกิดอะไรขึ้นร็อกกับใครคริสกระพินตอบดวนจากคริสถึงทุกคนคริสนาผู้นําเสียง ป, ปกติตายอย่างสงบนิ่งอยู่ที่เขาเช่นนั้นขณะที่กล่าวชัดเจนช้ชาๆมีอุบัติเหตุตื่นเต้นเล็กน้อยกระพินใหญ่บาดเจ็บมาก่อนโดยไม่ทราบสาเหตุตัวหนึ่งพอออกมาเล่นงานเราอย่างกระทันหันขณะที่อยู่ในป่าไทย ขณะนี้ล้มลงแล้วทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีใครเป็นอันตรายเราได้ยินเสียง M16 รัว3มชุดหัวกระสุนบางส่วนแหวกอากาศข้ามหัวพวกเราไปเลยเป็นเสียงของดรเซอรี่ซึ่งร้อนรนพอๆกันซึ่งน่าถอนใจเลือกยักไหลเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปืนทุกกระบอกที่มีอยู่พระอาจารย์มันเกิดขึ้นอย่างขะทันหันเหลือเกินป่าบริเวณนี้ทึบมากมันโผล่ออกมาโจมตีเราในระยะกระชั้นชิดที่สุด ขอให้พวกเราทุกคนได้เวลาหน่อยขณะนี้เรารออยู่ตรงซากของกระทิงตัวนั้นไม่ทันจะขาเสียงพูดของครสก็มีเสียงกรร้องหขว่โว่พร้อมทั้งจีงไผ่ตุ้มไม้ถูกแหวกอย่างเรียบร้อยมาจากตรงทื้เบื้องหลังกระพินเห็นข้าไปก็เห็นร่างในชุดเกรียงดอยสองคนโผล่ออกมาจากพุ่มไม้ในละักษณะรีบด่วนตาลีตะเหลือกหรือปืนแก๊ปกันคนลกระเบอพอมองเห็นเขาคริสพนคำกับซากกระทิงที่กองอยู่ตรงทางด่านก็ร้องทักทายลัน่นพร้อมกับ ล่นพลิงพลิงตรงเข้ามาแต่คนเสียงพูดฟังไม่ได้สับ <c oughs> จอมพานปลายเข้าไปทันทีเข้าดูเหมือนจะเดาต้นเหตุออกแล้วว่าเสียงปืนนัดแรกที่ดำหนงหลวมในลักษณะของปืนแก๊สและไอกระถินเจ้ากรรมตัวนั้นก็เพิ่งพลาดออกมาเนื่องจากอะไรคริสโมวดคิ้วแล้วรายงานวิทย์ทันทีมีชายเกาหลีสองคนโผล่ออกมาจากชายปากขณะนี้กําลังพูดคุยอยู่กับคนใหญ่ล้วขณะลุกลนตกใจเขาพูดกันเอะอะเอาเร็วหรือฟังไม่รู้เรื่อง รู้สึกว่าจะเคยรู้จักกระพินดีมาก่อนและคงเป็นชาวป่าที่จับยิงกระพิงตัวนี้ก่อนที่มันจะโผล่ออกมาใส่เราพร้อมรายงานหลังก็ตรงเข้าไปยังชายสองคนนั่นที่เข้ามาล่งเล่นอยู่กลางกระพินทันทีเป็นเวลาเดียวกับที่คนหนึ่งจาออกจากกระพินแต่แล่นาตาดไปยังซากกระทิงที่ล้มลงกองเลือดอยู่พูดกับบุญคําซึ่งยืนอยู่ก่อนแล้วส่วนชายใหญ่กับอีกชายหนึ่งยังคงสอบซักถามเป็นอยู่ไปมา และนายที่สึบก็พากันตรงไปยังซากกระถิงตัวนั้นทั้งหมดคริสเดินตามติดเข้าไปด้วยมองหน้าระพินและชาวดอยสองคนนั้นที่หัวมายัางไม่เข้าใจภาหลังจากยอมพาน้ำมนคำส่งภาษาโต้ตอบซักถามชายทั้งคู่โดยมีคริสมองอยากพยายามตะแคงหูฟังสังเกตอากาศขึินย้ายอยู่ระพินก็หันมาทางหล่อนบอกเร็วๆเปีย่ยงหมู่บ้านตะเกียนทองทั้งสองคนคนพวกหัวนั่นชื่ออูทะคนที่พร้อมสูงชื่อพระโต เขามากัน3ามคนติดตามกัชิงตัวนี้มาวันกับคืนเต็มแล้วโดวยการยิงเจ็บไว้ก่อนเช้าวันนี้ได้สาวรอยเลือดเข้าใกล้พบมันนอนพักอยู่ใต้ซุ้มไผ่จึงยิงแต่ไม่อยู่มันพลาดมันตายเข้าใส่สามคนปูถา ก, กับพระโต้หลบได้ปุบปิดแต่เิงถูกมันเหยียบหน้าท้องชายทะลักนอนอยู่ในโดงข้างหลังนี่เองเห็นบอกว่ายังไม่ตายพือสุธานออกมาคํานึงอย่างตกใจถ้าอย่างนั้นเร็วพาบอกพวกเขาให้พาเราไปดูคนเจ็บตัวนี้ ละพินหันไปสงภาษาชาวดอยทั้งสองคนขาออกเดินอ้าวนาไปตามทางด่านนั้นอย่างรวดเร็วเพื่อสร้าบุญคัมตามไปติดๆพร้อมเขาเพียงแค่สองโค้งของเส้นทางด่านแคบๆเท่านั้นโดยห่างจากตาแหน่งกระทิงล้มไม่เกินสามสิบหลาภายในร่ทึบของพุ่มไม้ติ๊เตี้ยอุดมไปด้วยน้ํามพุดดอเล็บเกี่ยวและเกี่ยวไก่ร่างของเกรเียงวัยกลางคนคนหนึ่งนอนตกแคงทุบฟูอยู่ส่งเสียงร้องขรึมขลัง อยู่กับพื้นอันอุดมไปด้วยใบไม้แห้งมีรอยเลือด ก, กระจายเปื้อนพื้นเล็กน้อยพปื้นแก๊สไท้และเขาวัวบรรจุจินปืนกับเม็ตตะกัวลูกปืนหล่นกระจายอยู่รอบตัวเจ้าสองคนผู้นำทางมาถึงทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนทำหัวคนเจ็บกับคิ้ตาเปื้อๆอยู่แต่ละพินกับบุญคำปรับเข้าประคองไว้ชายคนนั้นส่งเสียงร้องดังด้วยความเจ็บปวดเพิ่มขึ้น เ, ม, เมืม่อร่างกายจูเคลื่อนไหว จอมพาสังเกตเห็นมือทั้งสองที่ตะคุบ้ตรงบริเวณหน้าท้องมีขดลำไส้ทลักออกมาจากอุ้งนิ้วมือที่กำไว้แน่นเสียงตาเท่าบุญคำรงอนิจจังและสะมสะบูสบานลั่นไปหมดกระพินพยายามจะแกะความมือของคนเจ็บที่ขยุ่มอยู่ที่หน้าท้องของตนเองออกเพื่อจะดูบาดแผลแต่คริสเเนียวไหลไว้ห้ามโดยเร็ว อย่าพิ่งไปยุ่งอะไรกับบาดแผลของเขาจนกว่าเบลจะมาถึงครานใหญ่ชนะขลีตาลงส่วนคริสหน้าเปื่อยจากภาพที่เห็นคุิกายลงสังเกตที่สีหน้าอันดูเปี้ยวของคนเจ็บซึ่งยังคงครา ง, งงมอยู่เป็นที่น่าประเวทนาอย่างยิ่งเอาอยัางไงกันดีละนายไอเอิญมันไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดแต่ถ้าทางมันจะแย่นี่โดนเขาอีกท่าไหนกันนี่คบนคาเอ่อยขึ้นประคองศีรษะของเกรียงเคาะร้ายไว้แน่น คภาพบดพลายเมื่อมือที่ปากเขาจ้องไปยังฝ่ามือทั้งสองของคนเจ็บที่จะยุ่งกดแน่นไว้ที่ท้องของตัวเองแล้วก็มองไม่เห็นภาพของบาดแผลอะไรทั้งสิ้นนอกจากสองมือที่กุมนั้นนอกจากกดไส้ที่แทบออกมาจากซอกนิ้วเท่านั้นลักษณะของบาดแผลจึงไม่น่าจะกว้างใหญ่เกินไปนักรอทั้งเนื้อตัวของคนเจ็บเป็นขีดขวนเล้ยวรอยของน้ําเลื่อนซิปนอกจากนั้นแล้วบาดแผลชนิดอื่นๆก็ไม่มี ร่างกายส่วนอื่นก็ปราศจากร่องรอยหักหรือบุบสลายและเลือดก็ไม่มากนักผมจะเคลื่อนย้ายคนเจ็บออกไปยังที่ร่องให้สะดวกกว่านี้เขาบอกเร็วเกิร์สขอความกรุณาวิทยุบอกหมอเบลคณะของเราให้มาที่นี่เร็วที่สุดบางทีเราอาจจะช่วยชีวิตเขาไว้ได้ตกลงช่วยกัะอุ้มเขาออกมาตรงที่บริเวณร่องเช่นใจวิทยุบอกเบลเดี๋ยวนี้ตรวงสอบโดยเร็วรพินยืนขึ้นร้องสั่งความกับเจ้าพโตและอุทะซึ่งยืนทำหน้าเป็นลิงอยู่นั้น เื่อให้อุ้มประคองคนเจ็บอย่างระมัดระวังออกมายัางลงหนามตัวเขาเองกดเป้หลังออกควราผ้าประสิทธิ์ประจำตัวออกมาปูกับพื้นเพื่อให้เป็นที่นอนของเจ้าเจ้าเอิญผู้เคาะร้ายพางสั่งคำชับให้ช่วยกันอุ้มประคองคนเจ็บออกมาอย่างแผ่วเบาที่สุดส่วนคริสยกทยุ ข, ขึ้นพูดติดต่อทันทีจากคริสเนี่ยทุกคนด่วนมากมีอะไรเสียงหลายเสียงดังออกมาทังพงจิ๋วพร้อมกัน ผู้หญคนหนึ่งในจำนวน3คนได้รับบาดเจ็บจากกระทิงหน้าท้องเปิดไ้ทารักขอให้เปลวล่วงหน้ามาก่อนโดยเร็วที่สุดพร้อมกับชุดเวชภัณฑ์เบลวพูดฉันกำลังจะไปให้เร็วที่สุดเดียวนี้บอกสภาพของบาดแผลทราบก่อนรีบ เ, เข้าดูไม่ออกในขณะนี้คนเจ็บเอามือคุ้มท้องไว้แต่รู้สึกว่าบาดแผลจะไม่กว้างใหญ่นักร่องรอยบาดเจ็บสาหัสที่อื่นไม่มีนอกจากบริเวณท้องแต่อาการของเขาเจ็บปวดมากมีข้อแนะนําอะไรบ้างไหมการพูดโต้ตอบจากมิจูเป็นไปอย่างรวดเร็วรีบด่วน ให้นอนนิ่งๆอย่าเคลื่อนไหวกระทบกระเทือนโดยไม่จําเป็นถ้าคนเจ็บขอน้ําอยา่าเพิ่งให้กินน้ำว่าแต่ฮันเตอร์ไปอยู่ที่ไหนเสียเราไม่ได้ยินเสียงของเขาเลยเซตสงวิทยุในมือของหลอนให้จอมทานระเพลินดับมาโดยไม่ยอมใช้วิทยุของตนเองทุกคนโปรดทราบผมอยู่ที่นี่คนเจ็บถูกครีบของกระทิงเหยียบไม่ถนัดนักแต่เหยียบถักถักไปในระหว่างที่เขาล้มตัวลงนอนกระแทกคอมขีดและน้ําตัวของมันทําให้เนื้อบริเวณหน้าท้องฉีก เข้าใจว่านอกจากรอยฉีกขาดของเนื้อหน้าท้องแล้วอ ว, วัยวะภายในคงจะไม่ได้รับบาดเจ็บชอกช้ำอะไรมากนักเพราะถ้าถูกเหยียบในแนวตรงลงไประหว่างที่เขานอนหงายบาดแผลจะต้องฉกันกว่านี้และคงจะเสียชีวิตในทันทีเราเนื่องาคุณเป็น ป, ป้ายสเตอริสิกและะ้วรับผินเสียงดรเซอรี่กล้องมาคนเจ็ยบยังมีสติอยู่ในขณะนี้หรือไม่ยังรู้สึกตัวและพอจะพูดได้เลือดออกไม่มากนักนอกจากคดไส้าบางส่วนที่โผล่นออกมาจากบาดแผลเล็กน้อย ดีมากอย่าพยายามซักถามหรือให้เขาพูดอะไรทั้งสิ้นในขณะนี้เรากําลังเล่นสีททากันอยู่เต็มที่แล้วเปิดที่ยุยไว้ตลอดเวลาเพินไัยวันสงที่ยุ้ยขึ้นแม่ให้คริสชา้าช้าแล้วสั่งบนคาให้ย้อนกลับออกไปคอยดักรับคณะที่กําลังจะติดตามมาเพื่อแม่เสียเวลาจากนั้นก็ควา้ากระติกน้ําออกมาเปิดฝาเกลียวออกตามมองนิ่งไปยังคริสที่กาลังเพ่งในตา ง, งามสีฟ้าอยู่ที่หน้างเขาตลอดเวลาตัวหล่อนเองขณะนี้ก็เลือดซีบเป็นดิ้วรอยไปด้วยน้ำไผ่ทั้งสองแขนลําคอ และส่วนบนของทรงอกซึ่งมองเห็นได้เนื่องจากดุมสองเม็ดของเสื้อส่วนบนแหวกกว้างออกทลางสมบติดน้ําไปให้หลอนสันทิษาปฏิเสธช้าเขาจึงยกขึ้นดืมพวัวคอขอบคุณที่ติดต่อมอเบลให้เกี่ยวกับเรื่องนี้คุณเห็นว่าฉันหรือพวกของเราใจไม้สารกรรมขนาดนั้นทีเดียวหรือละพิมหลอนย้อนถามสึกานลงนั่งบนเง่าไผ่ตายซากเอามือจับคางเป็ี่ยนสายตาไปจับที่เกรี่ยงเคาะร้าย เราอาจจะเสียเวลาอยู่ที่นี่มากเกี่ยวกับคนเจ็บเขากล่าวเหมือนจะพูดกับตนเองถ้าจําเป็นจะต้องเสียมันก็ต้องเสียแล้วแม่ผมท้องไปยิบ ม, มุมปากออกมานหนึ่งกล่าวโดยไม่มองหน้าเขาต่อไปว่าฉันกับเบลนะ่ะอาจจะไม่ถึงกับเป็นแม่พระสําหรับพวกค้อมบริวารของคุณเหมือนกับคุณหมอศัลยแพทย์อันเป็นคู่รักของคุณคนนั้นหรอกนะแต่เรารับรองได้ว่าเรามีมนโยธรรมพอสมควรเหมือนกันชายข้อร้ายคนนี้จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากพวกเราเต็มที่อย่าห่วงไปเลย ภาพบดบดคลายงักเกิดสีหน้าและแววตาเครียดลงในทันทีนั้นแต่ชั่วแว บ, บเดียวก็คลายลงสู่ความชายเย็นเนิบเนืองตามเดิมเอาละประเดี๋ยวผมจะดูว่าพวกคุณจะมีมนุษยธรรมสกนาดไหนสำหรับคนป่าคนดอยเหล่านี้เขาพูดเสียงต่ำสามคนนี้สนนสน ม, มคุ้นเคยกับคุณดีหรือไม่เฉพาะสามคนนี้เท่านั้นผมบอกแล้วชาวป่าทุกคนในละแวก ที่ไม่เคยห้อยเสือร้องรู้จักคุ้นเคยกับผมเป็นอย่างดีทั้งนั้นรวมทั้งให้การเคารพนับถือและช่วยเหลือผมทุกอย่างเท่าที่เขาจะสามารถผมเองก็ช่วยเหลือเขาทุกอย่างเท่าที่ผมจะช่วยได้เสมอกันชนิดในป่าจําเป็นจะต้องรักใครพึ่งพากันน้ําใจเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดอํานาจเืินหรืออํานาจจย่า ง, งอื่นนามาใช้ในป่าไม่ได้นอกจากความจริงใจที่มีต่อกันทั่านั้นพวกคุณอาจจะไม่เคยรู้จักสภาวะเช่นนี้หรอก เสียงคนเจ็บคนรคลรางและพูดอะไรออกมาและพินทามมองก็เห็นพ้าโต้กับอูฐเตินตรงไปที่กระบอกน้ำเขาจึงร้องห้ามไปคือสงสัยถามว่าทําไมนะ่ะเอิญขอน้ํำดื่มผงสั่งห้ามไว้ตามคาําสั่งของหมอเบลเคสแ ม, ม้ลิ้นปิดปากและลุกขึ้นจากที่ทันทียกวัตถุในมือขึ้นเทอรีอาเบลบังกล่าวคพูดลงไปอันคำมิงเสียงสายตอบ ก, ก็กหืมกระหอบมาธงสวนตอบออกมาเร็วเรือ เราเหยียบถึงปากดงไผ่แล้วบุญคากําลังยืนรออยู่ข้างหน้านี้เชื่อว่าอีกไม่เกินห้านาทีคงจะถึงแม่ผมทองเหน็บพยจุเข้ากับเข็มขัดแล้วเดินตรงเข้าไปยังคนเจ็บฟ้ากระบอกน้ําจากกระถิ่งสองคนที่ลุมล้อมอยู่มายังเพื่อนผู้บาดเจ็บใช้ผ้าขนนของหล่อนเองลองรับน้ําที่เท อ, ออกมาจากกระบอกจนชุ่มแล้วค่อยๆซับความเย็นชําจากน้ําจากผืนผ้าลงไปบนหน้าอันซีดเซียวและเต็ไมไปด้วยเหงื่อเม็ดโตๆของสะเอิญ เจ้าหน้าสายศีษะไปมาอย่างกระสับกระส่ายพูดอะไรในภาษาที่หล่องฟังไม่ออกแต่พินเคลื่อนตัวเข้ามาหยุดดูอยู่ใกล้ๆพวกนี้พอจะเข้าใจภาษาไทยบ้างไหมหลันพึมพำโดยไม่เงยหน้าขึ้นมองหน้าเขาแต่คงจะเช็ดหน้าคนเก็บอย่างแผ่วเบาอยู่นั้นโ no. นถ้างั้นช่วยบอกพ่อทีเถอะขอให้เขาทาใจดีๆไว้อีกสครู่หนึ่งหมอจะมาถึงและเราจะช่วยเขาอย่างเต็มที่เขาจะไม่เป็นอะไร เด็นไพวันพูดกับเปลียงกับคนเจ็บและเพื่อนอีกองคนที่ยืนอยู่ตามความหมายที่คริสติน่าบอกเจ้าคนเคราะห์ร้านไม่มีคำพูดใดๆอีกนอกจากทางปรยิยะระยะดวงตาตั้งคู่ปิดลงอเมริกันสาวเงยหน้าข้สมองพานใหญ่บอกต่อมาเร็วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก่อนที่เียวกับพวกเราจะมาถึงคุณช่วยจัดเตรียมการทีเซอร์สั่งให้สองคนนี้ตัดกิ่งไม้หรือกิ่งไผ่มาสักกิ่งหนึ่งยาวสักห้าหฟิตก็พอตรงปลายให้มีกิ่งแยกพอจะอาศัยเกี่ยว ถุง น, น้ำเกลือได้ด้วยเอามาปักเกียมไว้ใกล้ๆคนเจ็บนี่ก่อนน้ําเกลือขอร้องเสียงสูงขนาดที่เลิกคิ้วขึ้นใช่รายนี้ต้องช่วยด้วยน้าเกลือภายหลังจากการเย็บปาดแผลซึ่งก็เป็นเรื่องยุ่งยากไม่ช่น้อยเหมือนกันนอกจากเบลแล้วคุณยังเป็นหมอด้วยอีกคนหนึ่งหรือเขาถามภายหลังจากการออกคําสั่งเจ้าคนตรงทั้งสองคนเบาๆทั้งสองคนนั้นก็ขนผันไปทำคาสั่งทันทีเทรซกินแคนแคนฉันไม่ได้เป็นหมอหรอกแต่ฉันมีความจําเป็นที่ต้องศึกษาวิชาพยาบาลในขั้นที่พอจะช่วย เหลือหมอได้บ้างเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกลางสนามชันรู้ว่าเมื่อเบลมาถึงเขาจะต้องทําอย่างไรบ้างและคนเจ็บจะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างไรอ๋อขออาภัยที่ถามหรือมีข้อสงสัยโง่ๆจริงสินะไม่อย่างนั้นเขาจะจัดกลุ่มพวกคุณมาเป็นทีมเวิร์กได้ยังไงกันยอมพานยอมรับโดยดีไม่มีใครฉลาดและเก่งไปหมดทุกอย่างหรอกคุณไพลวันคุณช่วยเราได้ในด้านหนึ่งส่วนเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะช่วยคุณได้อีกด้านหนึ่งสุดแต่ฝ่ายใดจนขนัดหรือชำนาญทางด้านไหน เป็นรู้ว่าคุณร้อนใจมากจะช่วยชีวิตคนคนนี้ไว้และเราจะร่วมมือกับคุณให้รุ่งเรืองไปตามวัตถุประสงค์นั้นขอบคุณไม่กี่อึดใจต่อมานั่นเองเสียงการเคลื่อนไหวของคนหมูมากก็ปรากฏขึ้นละพินกับคริสเล้วกลับไปมองเห็นบุญคำโผล่นำหน้าออกมาจากส่วนโค้งของทางด่านโดยมีอิสเบลและเชิดอดจิตตามมาติดๆถัดไปเป็นด็เสเตอรลี่และคริสซึ่อสาวเท้าไล่เข้ามาไล่ๆกันอย่างรีบเร่งกบวนลูกหาบและนผ่านเพื่อนเหมือของเขาเข้าแถวมาด้านหลัง ที่ได้ทำเวลากันอย่างเต็มที่คนเหล่านั้นเดินเฉียดผันซา ก, กระพิงใหญ่ที่คิษยิงพุ๊บคาอยู่ตรงทางด่านเพียงแต่มองไม่สนใจอะไรมากนะักเพราะว่าเร่งรีบตรงเข้ามายังบริเวณที่ผานใหญ่กับคริษตินยืนอยู่ทันทีพร้อมกับทรงเฉียงถามแซดฟังไม่ได้สับเฟสโตตอบรวดเร็วกับคนเหล่านั้นในขณะที่ะพิงยืนนิ่งเฉยเพราะไม่ทราบจะอธิบายอะไรได้ในขณะนั้น ปอยให้ทุกคนพิจารณาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณนั้นเอาเองและจากการธิบาอยอนั้นของคริสหมอเบลนั้นไม่พูดทดําใดก่อนอื่นทั้งสิ้นการเคลื่อนไหวในยามนี้ปาดเปลวคล่องแคล่วผิดไปจากเท่าที่เคยเห็นหล่อนพุ่งเข้าหาคนเจ็บเป็นอันดับแรกพอถึงก็สุดตัวลงพิจารณาทันทีคีเชิดคุณดรสเตลลี่เข้ามามองล้อมจนพวกพานเพื่อนเมืองของนาฟินทั้งหมดก็ร้อมมงดูอยู่ห่างหลันแตะมือเท่าสองของคนเจ็บที่ยังคุมแน่นอยู่กับหน้าท้องนั่งเงยขึ้นมองหน้าพานใหญ่พูดเร็วแต่บาาว่า ไทวันขอแรงหน่อยท่านใหญ่สุดการลงนั่งใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งให้ผมช่วยอะไรบอกเขาให้เขาเอามือออกจาก บ, บาดแผลที่ศีรษะเจ้ามกุเทศพูดและพยายามจะจับมือเพคนเจ็บที่กุมหน้าท้องออกแต่เจ้าเสอเอือนยังคงกุมไม่แน่นพูดอะไรออกมาขาเป็นห่วงๆลำพันกับเสียงคลางเบลถามต่อมาเขาว่ายังไงล่ะเขาบอกว่าถ้าเอามือออกไส้ของเขาก็จะดันทะลักออกมาอีกบอกเขาว่าไม่เป็นไรข่อให้มันทะลักออกมาฉันต้องการดูบาดแผล ถิ่นส่งภาษากับคนเจ็บแล้วจับมือทั้งสองที่กลุ่มบาดแผลแน่นอยู่นั้นให้เปิดออกช้าๆทุกคนที่รอบวงดูอยู่คลางออกมาอย่างสยองยกเป็นหมอแบวคนเดียวที่พักหมักฝงหลังออกมาจากกระเป๋าเสื้อใส่ปากเคี้ยวอย่างเยือกเย็นแผลหน้าท้องมันรอยฉีกแบกออกทางยาวประมาณห้านิ้วบัดนี้ขดไส้พลักรวดออกมากองอยู่เป็นกระจุกคนเจ็บพยายามจะเอามือมาปิดบาดแผลว่าอีกแต่พินยึดมือทั้งสองข้างไว้ดึงไว้กับพื้น ส่วนอีกด้านหนึ่งซึ่งอยู่ทางด้านเบลล์รันก็ช่วยใช้เข่ากดไว้ด้วยป้องกันไม่ให้คุณเจ็บเอามือมาแตะต้องบาดแผลหรืนซ้ำไส้ของตนเองอีกด็อกเตอร์สเตอร์ลี่สั่งความกับเชิดบุตรและคิดให้ไปนำหีบเครื่องวิชภัณฑ์เข้ามาโดยเร็วทั้งสองเป็นไปยังกลุ่มพวกลูกหาซึ่งบันี้กำลังกดหาออกจากบาแล้วช่วยกันนาหีบเครื่องวิชภันเข้ามาวางไว้ใกล้ คริสกระโดดเข้าไปช่วยอีกคนหนึ่งแก้หีบห่อออกทันทีทุกคนในกลุ่มร่วมมือประสานงานกันได้อย่างดีมากดูเหมือนจะลืมความเหน็ดเหนื่อยที่เดินกันมาอย่างรีบดรวงเสียหมดสิน้นคริสเสียงหมอเบลลร้องสั่งเพื่มนสาวของหล่อนคิดแตมา ก, ก่อนแล้วไม่ถือึดนใจคริสก็หันกลับเข้ามาพอกับเข็มฉีดฉีดยาส่งให้เบลแม่ผมแดงยกขึ้นสองดูแล้วยักหน้ากับกระพินนิดหนึ่งพูดเสียงเบา ไม่มีทางจะจัดการกับบาดแผลของเขาได้นอกจากจะให้ยาสงบก่อนคุณพยายามบอกเขาว่าอย่ากระดูกกระดิกขัดขวางขณะที่ฉันเดินยาเข้าเส้นเลือดปาดแผลของเขาอยู่ในเกณฑยสาหาัสทีเดียวนาพินก้มลงพูดช้าๆที่รูมือของคนเจ็บแล้วบอกว่าโอเคหมอจัด ก, การได้เอสเบลเลือกหาเส้นเลือดที่โป่งมองเห็นได้ง่ายบนหลังฝ่ามือของคนเจ็บแล้วเสียบปลายเข็มเข้าไปในทันทีอย่างชำนาญค่อยๆเดินยาช้าๆปาก็ร้องสั่งคริสว่าเตรียมถุงมือตะไล่ ส, สอคู่น้อมมน ซาไลโซลูชันหูฟังแล้วก็เครื่องวัดความดันคริสลับคำหันไปทางเครื่องเวชภัณฑ์โดยเร็วอีกครั้งกี้กับเชิดวุดิสายเข้ามาช่วยเป็นลูกมือด้วยทางได้การจัดการของคริสโดยคำสั่งหมอเบลในขณะนั้นหัวหน้าคณะยืนสุซิก้ามองดูอย่างสงบโดยยังไม่ทันเอ่ยปากคำใดทั้งสิน้นรว่างที่ยังเดินยาสงบเข้าอย่างระมัดระวังเดืบตาขึ้นศกละ พ, พินยิ้มให้นิดหนึ่งไม่ต้องกังวลเชื่อว่าเอาไว้อยู่ กี่เปอร์เซ็นต์แม่ผมแดงขุ่นยั่วเพศตรงข้ามแต่บัดนี้ปฏิบัติงานอันน่าคารวะและน่าเลื่อมใสที่สุดยักไหลนิดหนึ่งใครจะรู้นอกจากพระเจ้าในทัศนะของแพทย์ให้ความหวังได้อย่างมากก็ 70% เอร์เซนต์เขาจะอยู่หรือจะไปมันอยู่ที่การพยาบาลดูแลภายหลังจากการที่จัดการกับบาดแผลเรียบร้อยแล้วเท่านั้นบาดแผลที่เกิดขึ้นนี่ฉันดูไม่ออกว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรกล้ามเนื้อหน้าท้องฉีกขาดจนถึงเยื่อผุวช่องน้อยลักษณะมันที่คนดู แต่ตัวลำไส้หรือเครื่องในดูเหมือนจะไม่ฉีกขาดบอกช้ำอะไรนะักผมก็ไม่เห็นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่จากสภาพของบาทแผลพอจะเดาได้ว่าเขาอยู่ในภาวะล้มตัวตะแคงกับพื้นจะทิ้งเหยียบเฉียวลงมาบดกล้ามเนื้อหน้าท้องของเขาลงกับพื้นดินความคมของที่เท้าและน้ำหนักตัวทำให้เนื้อหน้าท้าฉีกออกก็โชคดีที่ไม่ได้เหยียบขี้ยี่ไป บนขดลำไส้และอวัยวะภายในส่วนอื่นๆด้วยไอตัวที่ถูกยิงก่อนบนภูเขาอยู่นั่นใช่ไหมใช่เรามหมายถึงผมกับคริสและคุณคําเดิเข้ามาพบรอยเท้าและรอยเลือดของมันก่อนและหยุดยืนพิจารณาดูรอยนั้นอยู่กะเหรี่ยง3าคนนี่กําลังย่องตามยิงมันอยู่ในซุ่มลกอีกด้านหนึ่งเสียงปืนนัดแรกที่ดังขึ้นก็เป็นปืนจากกะเหรี่ยงพวกนี้ยิงมันไม่ล้มกับที่มันก็เลยชัดเข้าใส่คนขวาราที่สุดก็คือคนเก็บนี่อีกสองคนหลบไปได้ พอมันเหยียบเจ้านี่แล้วก็วิ่งครัดพราดออกมาใส่ผมคริสและบุญคาที่ยิงกันอยู่อีกท่าหนึ่งพวกเราเกือบจะถูกรับอันตรายเหมือนกันโชคดีที่หลบทันแล้วคริสก็กรนับมันด้วย M16 มสิบหคว่ำลงไปตรงนั้นเองเดียวเดินยาหมดดึงเข็บออกคริสก็ถลันเข้ามาอีกครั้งหนึ่งส่งหูฟังให้แม่ผมแดงตัวเองเริ่มวัดความดันโลหิต ข, ของคนเจ็บทันทีช่องแคล่วราวกับพยาบาลผู้ช่วยที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีแล้ว เจ้าชาวดอยผู้เคาะร้ายอยู่ในพวงสลุมสลือลดความทุรนทุรายกับสกสายลงเป็นลำดับและในที่สุดไม่ช้านานนักก็สงบนิ่งโดนตาเป็นเสน็ทระยะเวลาที่ร้อยคนเจ็บทูกสะกดด้วยยานี่เองทั้งสองสาวชันดาร่างมือตนเองยังรีบตรวจแล้วสวมถุงมือที่ผ่าการฆ่าเชื้อโรคเรียบร้อยแล้วโดยเร็วจากนั้นก็เข้ามายังคนเจ็บอีกครั้งหนึ่งคริสใช้สองสกิดบอกคาตาพินผู้คูกเข่าอยู่ใกล้ถอยห่างออกไปได้แล้วชานใหญ่ลุกขึ้นหลีกทางให้ เขาเพิ่งจะเห็นปฏิบัติการแพทย์อย่างแท้จริงของหมอเบลล์และคริสเป็นครั้งแรกมันดําเนินไปอย่างกระฉับกระเฉงรวดเร็วทันการยิ่งและทํางานร่วมกันได้ไม่ผิดอะไรกับหมอและพยาบาลผู้ช่วยภายในห้องศัลยกรรมของโรงพยาบาลสนามซึ่งเครื่องมือเครื่องไม้ครบคันทำให้รู้สึกอุ่นใจและเกิดความศรัทธาขึ้นามาเป็นครั้งแรกเช่นกันคิดนั้นทําหน้าที่เป็นนุ่มืออีกตอนหนึ่งด้วยกันหยิบส่งสิ่งของที่จําเป็นที่สุดแก่เบลและคริสต้าแต่จะเรียก พลเวนขดลําไส้ที่ทะลักออกมากองอยู่กับหน้าท้องถูกชําระล้างอย่างระมัดระวังด้วยน้าเกลือจากนั้นลําไส้ซึ่งไม่มีบาดแผลฉีกขาดหรือบอบช้าอะไรนักก็ถูกยัดลงไปในบาดแผลแล้วเยื่อบุช่องน้อยที่ฉีกขาดออกจากกล้ามเนื้อก็ถูกเย็บเป็นอันดับแรกด้วยไหมที่ละลายได้โดยมืออันแผวบาฟรานี่ของหมอเบลคนเจ็บสงบนิ่งปราจากความรู้สึกใ ด, ดทั้งสิ้นเพราะสงบด้วยวิทยาฉีด ตลอดเวลาของการเยป่าแพร่กันนั้นทั้งบริเวณเงียบสงัดทุกสายตาจ้องมาที่อิสเบลและฟูซิน่ากับคนเจ็บเป็นตาเดียวกันคงได้ยินเสียงสองสาวพูดสั่งงานกันเองอยู่แถวเบาเท่านั้นแบลเคียวมาฝ้่งหลังกดเอื้องอยู่ในขณะที่มือก็ทํางานแข่งกับเวลาทานใหญ่มารู้สึกตัวตื่นจากผวางจ้องภาพนั้นมอร์เตอร์เตเรี่วางมือลงบนไหลก็หันไปก็เห็นหัวหน้าคณะจ้องมองจุดก่อนแล้วพร้อมกับรอยยิ้มอย่างอารี เชือ่อมือหมอเบลกับคริสเตอร์รักินสําหรับเบวนั้นถึงแม้นจะไม่ใช่ศัลยแพทย์โดยตรงแต่ก็ชนานาญมากในด้านบาดแผลจากอุบัติเหตุทุกชนิดและวิชาพันธุ์พสนามที่เราเตรียมมาก็ครบถ้วนทุกอย่างแม้กระทั่งน้ําเกลือซึ่งจะช่วยได้อย่างมากในรายที่คนเจ็บเสียเลือดหรือไม่อาจจะกินอาหารได้ทางปากลักินยิ้มขึ้นขึขขข้ออกมาเป็นครั้งแรกคว้าใช้ผ้ากําขมาขึ้นมาเช็ดหน้าอันมันย่องในหยาดเหงื่อของเขา เป็นความอบอุ่ใจของผมอย่างยิ่งที่เห็นปฏิบัติการทางการแพทย์ของหมอเบลกับผู้ช่วยในครั้งนี้มันเกินความคาดหมายของผมทีเดียวเห็นครั้งแรกผมสารภาพว่าผมไม่เชื่อว่าเบลจะเป็นแพทย์มือดีถึงขนาด น, นี้เลยอ่าแล้วคุณคิดว่าชันเป็นอะไรโซฟาีหรืออีกตัวประจำพนัอย่างนั้นหรือไอซ์เบลได้ยินคาพูดของเขารองถา ม, อ ม, อมอเบาขณะที่ยังก้มหน้าเย็บแผลอยู่หล่อนพูดภาษาอังกฤษแต่ใจความแปลออกมาได้ตามความหมายนั้นและพินกรเดื่น้ําลายลงคอฟืนยิ้มฝิ ด, ฝดพู ด, พดไม่ออก ผมไม่ได้คิดต่ำช้าถึงเพียงนั้นหรอกหมอผมคิดแต่เพียงว่าคุณน่าจะเป็นนักพยาศาตรผู้ชำนาญเฉพาะทางกรรมภาพหลังสีเสียมากกว่าส่วนถ้าจะมีความรู้ทางด้านการแพทย์บ้างก็คงจะเป็นความรู้เพียงแค่พยาบาลส่วนขัดพอจะให้ยาได้บ้างเท่านั้นขอขอบคุณคุณหมอและท่านหัวหน้าคณะตรอจนทุกท่านอันเป็นควรในเจ้างผมไว้ณปัจจุบด้วยที่กรุณาให้ความช่วยเหลือชายคนนี้การช่วยชีวิตมนุษย์ตาดำดําด้วยกันถือว่าเป็นมหากุศลเป็นบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อกูลให้แก่เรา เพืที่จะให้เรารอดพ้นพิบัติภัยทั้งพวงได้หมอเบวเงยหน้าทําเป้ปากใส่เขานิดหนึ่งแล้วก็ก้มลงเย็บแผลต่อไปในขณะที่คริินา่าตรวจวัดความดันของโรหิตจากเครื่องวัดอะไรนั่นเบลสักระ ย, ยะดรอเตอร์เซอ ร, รี่ของเราเปาๆเรารู้ว่าคุณเป็นหัวเ้อใจใส่ต่อสาระทุกสุดดิบของชาวป่าทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณเป็นหลักใหญ่เราไม่ได้ต้องการให้คุณเกิดความนิสิต ก, กังวลและมองเราในแง่อื่น นันเป็นเรื่องสําคัญที่สุดแต่ถึงคุณจะไม่ขอร้องให้เราช่วยเราก็จะละเลยต่อหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ไปไม่ได้เหมือนกันอุบัติเหตุรายนี้มาเกิดขึ้นชนิดที่เรียกได้ว่าต่อหน้าต่อตาซึ่งเราจะเมินเฉยเสียไม่ได้เชิดพดผู้ยืนสงบอยู่เป็นเวลานา น, านก็พู้งขึ้นอย่างหน้าตาเฉยว่าหรืออีกนายหนึ่งจะพูดให้ตรงก็คือเราต้องการแก้ตัวเอาใจคุณไว้บ้างในกรณีที่เคยปฏิเสธมาแล้วเมื่อตอนที่กลียงหมู่บ้านซับวอนขอร้องให้ช่วยกลับเสีกินคนตัวนั้น แต่เราก็ไม่ได้สนใจสั่งให้คุณนำทางผ่านมาเลยเสียเพราะว่าให้ตายเถอะนี่ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องเสียเวลาเดินทางสักแค่ไหนคำประชดแดกแดน แ, แบแบที่นั่นจริงจิงชนิดนั้นฝ่ า, ายบริการทุกคนไม่โง่พอทีจะฟังไม่ออกตัวหน้าคณะหขมวดคิ้วมองเชิดวัตย์อย่างไม่สบอารมณ์นักในขณะที่คิดจุปป๊บปากจิกจักจ๊กยี่ยงจมู ก, ก, กมแดนกล่มสะบดอะไร อ, อุบอิบอยู่ในลาคอเกลวนั้นก้มลงเย็บแผอยู่อย่าละมัดละมางเช่นเดิมแต่เครสเกือบตาขึ้นมองหน้าเชิดวัตย อย่าปากเสียเลยนาวุฒิเรื่องวาจาเสียสยีปากคอร้ อ, อร้ายขอให้เป็นเรื่องของนายผ่านผู้มักจะมีอารมณ์โกรธอตลอดเวลาคนเดียวก็พอแล้วคุณอย่าผสมลงด้วยเลยความจริงเราก็มาด้วยกันไม่ใช่หรือขณะนี้ฉันกับเบลกำลังเย็บแผลของคนฆ่าร้ายอยู่อยากจะให้เย็บปากคุณด้วยหรือยังไงแต่ทหานหนุ่มปิดปากครองเงียบเขาไม่รู้สึกอะไรกับอาการหัวเสียของอเมริกันทั้ง4คนส่วนอภินั้นไม่มีปฏิกิริยาใดใดทั้งสิ้นคงยืนจ้องดูการเย็บแผลของหมอเบวทุกขณะด้วยความเป็นห่วงคนเจ็บ เขาเห็นแพทย์ประจำคณะปฏิบัติอย่างรัดกรุมที่สุดและใช้เวลาอย่างรวดเร็วแข่งกับเวลามากที่สุดเมื่อเย็บเยื่อบุท้องเรียบร้อยแล้วก็เย็บกล้ามเนื้ออีกสองาชั้นจนกระทั่งในที่สุดก็เย็บผิวหนังชั้นนอกด้วยได้คริสวัดความดันปร็นระยะระยะไสองส23นา ท, ทีแล้วก็คอยบอกให้เบลทราบและจับเวลาลวจากนาฬิกาข้อมือตลอดเวลาประมาณ12นาทีนับตั้งแต่คนเจ็บสลบด้วยอำนาจยาฉีดเบลก็ย็บบาดแผลเสร็จปิดบริเวณแผลไว้ด้วย ผ้ากลอสพัลเตอร์แผ่นใหญ่จึงทับไว้แน่นหนาคือการแขวนถุงน้ําเกลือแบบเป็นเสร็จซึ่งบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกขนาด1นึ่ซีซีมีสายพร้อมจิ้มเข็มเข้าเส้นตรงแขนของคนเจ็บปิดพัสเตอร์ไว้ที่ตัวเข็มกันหลุดเป็นอันเสร็จสับพิธีการในการเยียวยาช่วยชีวิตในขั้นแรกทั้งสองสาวถอนใจเฮือกออกมาพร้อมกันหขาดจากคนเจ็บลุกขึ้นยืนแล้วถอดถุงมือออกทูกสายตาเดิช่วยอย่างยิ่งผ่านใหญ่มองมาที่หมอเบลเหมือนจะถาม นอนก็ยังไม่พูดอะไรกับใครทั้งสิ้นข อ, อน้ำจากกระติกของคี้ไปดืมตึงกระหายเป็นครั้งแรกพ่อุรีออกมาจุดสูดแซงถึงความปลอดโ่งล่งใจเินเข้าไปตรวจอาการของการให้น้ำเกลือที่ไหลผ่านย้อยลงมาตามท่อยางแล้วปรับแต่งเน้นบังคับ อ, อัตราการหยดของน้ำเกลือให้เหมาะสมเป็นยังไงบ้างเบลล์ซลี่ถามขึ้นเบาๆปลอดภัยพอสมควรแล้วค่ะอาจารย์ โชคดีมากที่ไม่ต้องตัดต่อลำไส้เลยแต่บาดแผลอาอจเย็บยากอยู่สักหน่อยต้องเร้เวลาให้ทันก่อนฤทธิยาสลบจะหมดเพราะให้ไว้เพียงแค่15นาทีเท่านั้นตอนเย็บเธอริโตเนี่ยมคนเจ็บจะรู้สึกเจ็บจนทนไม่ไหวถ้าไม่วางยาสลบเอสเบลบอกมานน้ำเสียงปกติของหลอนแล้วหันมาถามนพินถามขึ้นในลักษณะสัพยอกว่าเอาละบอกหน่อยซิใครเป็นเจ้าของไข้ลายนี้ไม่ทราบทาไมหรือหมอ เจ้าของไข้ควรจะต้องรับคำสั่งหรือรับรู้ในด้านรักษาพยาบาลคนไข้ารายนี้นะสิไม่ใช่พอเย็บแผลเสร็จเรียบร้อยแล้วคนป่วยจะหายเปนตึกทิ้งภายในแค่สองสาชั่วโมงเมื่อไหร่กันจอมพลอึ้งไปครู่หนึ่งการลิฟิ์ปานิดหนึ่งตามมองไปยังคนเจ็บที่ยังนอนนิ่งอยู่อีกครั้งหนึ่งถ้างั้นผมก็ไม่สามารถจะเป็นเจ้าของไข้ได้หรอกเพราะจะต้องมีหน้าที่นำทางให้กับนายจ้างต่อไปแต่ถึงอย่างไรก็บอกให้ผมทราบไว้บ้างคนดีว่าจะต้องดูแลรักษาพยาบาลเขาอย่างไรต่อไปผมจะได้บอกเพื่อนของเขาสองคนนั่นรับบทราไว้ และปฏิบัติได้ถูกต้องแวลหน้าเฉยแต่แวลตายมีรอยยิ้มโยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูพูดชา้าๆอีก4 5นาทีคนเจ็บจะรู้สึกตัวขึ้นมาถ้าเขาปวดแผลมากฉันจะให้ยาระ ง, งับประเภทมอร์ฟีนต่อไปก็เป็นยาการบาดทะยักและกันหนองคนเจ็บจะกินอาหารใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นภายในเวลา24ชั่วโมงแรกแม่ผมแดงชี้ไปที่ถุงน้ําเกลือที่แขวนอยู่กับหลักต้นไผ่ซึ่งบพินสั่งให้กเกลี่ยสองคนนั้นตัดมาปักเป็นเสาเตรียมไว้ให้โดยการแนะนําของคริส เราจะให้ซาไราแทนถุงหนึ่ง cc และจะต้องให้ติดต่อกันไป3 0 0 0ั cc ต่อ24สชั่วโมงการให้ซาไรายอย่างน้อยต้อง48ชั่วโมงลำไส้จะงริง่มทำงานและเริ่มให้อาหารอ่อนๆได้จะอนุญาตให้ลุกนั่งขยับเขยืนเคลื่อนไหวได้เมื่อพรยิบสชั่วโมงไปแล้วแต่ต้องเบาๆเท่านั้นและต้องระวังแม่เข็มที่ให้ซาไราทั้งเส้นเลือดหลุดจากตำแหน่งอันถูกต้อง หรือถ้าหลุดก็ต้องแทงใหม่ให้ถูกเส้นหากไม่มีอาการแทรกซ้อนและคนไข้เริ่มกินอาหารทางปากได้สาวันอาการก็จะดีขึ้น7วันตัดไหมหลังจากนั้นแล้วก็ปลอดภัย 100% ่งรเซ็นนยืนงันเข้าหน้าของเขาบัดนี้สอดชัดถึงความไม่สบายใจการดูแลพยาบาลเจ้าเกรียงเอินตามที่เบลอธิบายมานี้ความจริงมันก็ไม่เหลือ่าฟาแรงอะไรนะักถ้าหากเขาอยู่กับคนเจ็บด้วย แดนนี่เขามีภาระที่ต้องเร่งรีบนำทางต่อไปตามหน้าที่สำหรับเจ้าพ่อโตกับอูทะต่อให้อธิบายบอกวิธีการปฏิบาตสักแค่ไหนเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันจะต้องปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ต้องอะไรมากหรอกเพียงแค่น้ำเกลือถุงแรกหมดจะเป็นถุงใหม่โดยต้องจิ้มเข็มเข้เขาเส้นเลือดของคนเจ็บเท่านั้นเจ้าสองคนนี้ก็คงจะไม่เป็ญยาแน่นอนต่อให้สอนกันสักขนาดไหนแต่ถ้าปล่อยให้จิ้มเข็มผิดจิ้จิ้มเข็มถูกไม่เข้าเส้นเลือดก็ลังแต่จะเกิดอันตราย แก่คนเจ็บเสียเปล่าๆทั้งๆ ท, ท, ที่ได้รับการปผุมพยาบาลชื่อเหลือเป็นอย่างดีในขั้นแรกแล้วและระยะเวลานี่ต้องดูแลกันอย่างระมัดระวังใกล้ชิที่สุดก็คือ48ชั่วโมงถัดจานี้ไปถ้าพ้นระยะนี้ไปแล้วก็พอจะเบาใจได้บ้างเขาตระหนักดีอยู่เต็มอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะขอร้อนคณะนายจ้างอเมริกันมาเสียเวลาอยู่กับคนเจ็บอันเป็นชาวป่าได้ความหมายท่านใหญ่ถอนใจเพื่อตาจับนิ่งไปยังคนเจ็บคุมพับออกมาเหมือนจะกล่าวกับตนเอง น่าเสียดายมากที่เขาพบกับการช่วยเหลือเยียวยาพยอย่างดีในขั้นแรกแล้วแต่ต้องมาตายเสียเพราะไม่มีใครรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องในนดับต่อไปความจริงเขาน่าจะถูกกระทินเหยียบให้แหลกตายคาที่ไปเสียเลยจะได้คนทุกคนทรมานมากกว่านี้แล้วก็เปลี่ยนสายตาไปยังหมอเบลลและคณะนายจ้างบริกันทุกคนที่ยืนสงบโดยมองมาที่เขาเป็นตาเดียวเป็นกะขึ้นว่าขอขอบคุณหมอเบลลและทุกท่านอีกครั้งที่พยายามช่วยเหลืออย่างดีที่สุดแล้วผมไม่ รบกวนพวกท่านมากไปกว่านี้หรอกเขาเวลาอีกสักชั่วโมงเดียวเพื่อแล่นเนื้อกะทิงบางส่วนเป็นสเสบียงของพวกฝ่ายผมหลังจากนั้นเราจะออกเดินทางต่อไปว่าแล้วก็ขยับตัวหันไปร้องตะโกนสังความกับพวกพ่านพื้นเมืองและพวกลูกหับต่างหลายซึ่งขณะนี้กาลังลุมร้อมพะโตและอูทะสอบถามซากความกันอยู่คําสั่งของเขาก็คือให้พวกนั้นไปจัดการกับซากกะทิงใหญ่ที่ร่มอยู่ตนเองก็ก้าวออกเดินถา่างออกไปอย่างซากนั้น แต่หมอเบลก้าวเข้ามาสกัดหน้าไว้แวลตามีรอยยิ้มอยู่เช่นนั้นเดี๋ยวระพินเรื่องคนเจ็บที่ต้องดูแลพยาบาลต่อไปนี่คุณจะวาา่ายังไงพุณใหญ่ยักไหลก็สุดแล้วแต่เวรกรรมของเขาก็แล้วกันครับเราช่วยเขาอย่างดีที่สุดแล้วประเดี๋ยวก่อนไปผมจะอธิบายให้เพื่อของเขาสองคนเข้าใจว่าเขาจะต้องพยาบาลดูแลคนเจ็บอย่างไรบ้างคุณไม่รังเกียจจะมอบน้ำเกลือและยาทิ้งไว้ให้เขาไม่เฉลี่ยครับเพื่อให้รักษาพยาบาลกันเองอย่างน้อยก็สัมปองไว้พร้อยพ้นระยาอันตรายหมอเบลหัวเราะ เราไม่รังเกียจทีจะมอบน้ำกรุและยาไว้ให้กับคนเจ็บที่นี่รอแต่คุณแน่ใจหรือว่ากระเล่สองคนนั้นอาจจะแทงเข็มเข้าเส้นของคนเจ็บได้ถูกต้องถ้าถูกต้องเพื่อนของเขาก็รอดถ้าไม่ถูกก็ตายก็แค่นั้นเองชีวิตในป่านะมันเกิดง่ายตายง่ายเขาบูดมากเท่าไหร่แล้วที่ไม่ต้องนอนไส้ไหลทรมานอยู่ถึงแม้นว่าจะอีก 2- อสวันถึงจะต้องตายเพราะขาดคนดูแลที่ถูกต้องพวกคุณนะพัก ท, ที่นี่นก่อนนะครับผมจะไปควบคุมพวกนั้นให้จัดการ ก, รกับกระทิงตัวที่ล้มอยู่นู่น อย่างตัดใจได้และยังไม่สนใจกับอะไรอีกจอมผานสาวทาว้ายาวๆผาไปในทันทีเบลผิวฝากยาวมองตามหลังไปและว พ, พึมคำออกมาเบาๆกับพับพวกว่าสมาร์ทกายท่าทีแข็งๆพระคนยะโสแต่สุภาพของเขามีสเสน่ห์ไม่เปาจุเดียวแหละพาลูกน้องของเขาทั้งสีคนและพวกลูกหาเกือบทั้งหมดช่วยกันรอกหนังกระถิ่นออกอย่างรวดเร็วโดยมีระพินยินคุมวงการอยู่เนื้อส่วนที่ดีที่สุดคือเนื้อสันถูกแล่ อ, ออกมาเป็นแคลงบัดนี้เปิด นังออกไปแล้วขณะนั้นเองระพิงก็รู้สึกมีมือของใครมาจับแขนเขาไว้พอเหลียวกลับไปก็เห็นทุสเซนายืนอยู่ใกล้ใกล้ตาสีฟ้าภายในม่านขนตางอนของหลอนเย็นขึมแต่ดูเหมือนจะมีประกายอ่อนโยนแสงอยู่ลึกๆในพิปปากมีรอยยิ้มนิดหนึ่งเมื่อสบตาเขาถ้าฉันจำไม่ผิดคุณได้พูดไว้ก่อนที่พวกเราจะมาถึงว่าคุณอยากจะดูว่าพวกเรานั้นมีมนุษยรรมกันสักขนาดไหนอย่างนั้นใช่ไหม น้ำเสียงของหลอนเบาใสจอมพานกระหมดคิวนิดหนึ่งแล้วหัวเราะหือหือดลำคอผมเห็นแล้วว่าพวกคุณมีพอสมควรทีเดียวแหละที่อุตสาห ย, ยอมเสียเวลาช่วยเย็บแผลให้เจ้านั่นถ้าเช่นเป็นคุณฉันจะขอร้องให้อาจารย์หยุดพักอยู่ที่นี่ก่อนเพื่อให้เบลรักษากเหรี่ยงคนนั้นจนพ้นขีดอันตรายอย่างน้อยก็สักอีกหนึ่งวันก็ยังดีประพินรองหน้าคลื้อย่างพิศวงก็บังเอิญคุณไม่ใช่ผมประพินคุณจะดีใจไหมถ้าฉันจะบอกว่าหลอนท่อระยะเวลามองตาเขานิ่งอยู่เช่นนั้น อะไรพูดให้จบสิอาจารย์ให้ฉันมาบอกกับคุณว่าเราจะหยุดพักที่นี่เพื่อดูแลคนเจ็บภายใน24ชั่วโมงนอกจากเวลานี้เป็นต้นไปพานใหญ่ชะนักพูดหมายี่คริสผมไม่แน่ใจว่าจะฟังคุณได้ชัดเจนหรือเปล่าฉันพูดว่าแม่ภูเขาน้ําแข็งกล่าวช้าช้ชัดคล้ชัดคำดรสเตอรี่ให้ฉันมาบอกกับคุณว่าเราทั้งหมดจะหยุดพักที่นี่หนึ่งวันเพื่อรักษาคนเจ็บจนกว่าเขาจะพ้นขีดอันตราย อให้คุณสบายใจได้แล้วเขาจะต้องไม่ตายและได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดคุณพินไฟวันซอยเปลือตาทีมีอาการงุนงงประหลาดใจคุณเป็นคนเสนอความคิดชนิดนี้กับเขาหรือหลอนสายหน้าช้าๆไม่ใช่ความคิดของฉันหรอกเขาแสดงจินตนาช่นนี้ออกมาเองและพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคิดเชิดวุฒเบลหรือแม้แต่ฉันเองก็มีความเห็นตรงกันทั้งหมด รามพานอึ้งไปอีกครั้งหนึ่งเหลียวมองกลับไปยังกลุ่มของนายจ้างขึ้นแบบนี้รุมร้อมกันอยู่ที่คนเจ็บเขาเห็นเชิดฟุตโบกมือให้มันจะทําให้เราเสียเวลาการเดินทางไปเปล่าเนะล่านะเราอาจจะเสียเวลาไปบ้างแต่เพื่อช่วยชีวิตมนุษย์ไว้สักคนหนึ่งก็ไม่เห็นว่าเป็นการเสียเวลาเปล่าเราช่วยเขาไว้ในขั้นแรกแล้วก็วอยากจะช่วยให้ปลอดภัยจริงๆถ้าไม่เช่นนั้นการช่วยเหลือของเราก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยหากภายหลังที่เราผ่าจากเข้าไปแล้วก็เกิดตาย คริสถ้าการช่วยชีวิตของเสอร์อยู่ในความหมายที่ว่าต้องการจะเอาใจผมก็อย่าดีกว่านะมันไม่จะเป็นหรอกามองหล่อนอย่างเพื่อค้นหาแม่ผมทองวามือลงบนไหล่อันแข็งแรงนั้นถามใจเบาๆโปรดอย่าคิดอะไรในแง่ลบเช่นั้นเลยและทําใจของคุณให้สบายดีกว่าก็าบอกแล้วว่าเราเป็นมิตรของคุณฉันรู้ว่าคุณมีความขุ่นใจและมองเราในแง่ความคิดเห็นแก่ตัวตั้งแต่พวกเราปฏิเสธในการขอร้องของกะเหลี่ยงหมู่บ้านซับบอนที่ให้คุณช่วยตากเสือกีคนตัวนั้นแล้ว ฉันต้องขอโทษแทนพวกเราทุกคนด้วยที่ไม่ยอมให้คุณช่วยพวกซับบอลในเรื่องนั้นก็ เ, เห็นว่ามันยังไม่จําเป็นแต่คนเราเมาร่วมทางกันมาก็ได้รู้เห็นจิตใจกันมากขึ้นเราก็ควรจะต้องทําตามความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ได้ดีไม่ใช่หรือเรารู้จักธ ร, รมชาตินินสัยไทยจริงของคุณส่วนคุณก็ควรที่จะรู้จักในิสัยใจทอให้ลึกซึ้งถึงจิตใ จ, จพวกเราบ้างสภาพบผลพลายเพิ่งจะยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกเวลาตาข้ออ่อนโยนลงขอบคุณมากครสผมดีใจที่พวกคุณมีน้ําใจใกว้างขวางเกินกว่าที่ผมคิดไว้ อุท่าพระโตตลอดจนพวกผมทุกคนก็คงจะดีใจมากในการตัดสินใจเชนี้ของพวกคุณฉันเองก็ดีใจที่เห็นคุณยิ้มได้รูปหมายรพินในทุกครั้งที่คุณยิ้มออกมายัางบริสุทธิ์ใจเช่นนี้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าป่าทั้งป่ามันจะสว่างไสวเต็มด้วยชีวิตชีวาน่าเชื่อมชื่นไปหมดเสียดายอยูตรงที่ว่าคุณไม่ค่อยจะยิ้มเท่าไรเลยพร้อมกับเปล่าคลิ้มสมมือไปให้กขาจาับคานใหญ่หัวเราะแจ่มใสออกมาจากใจจริงดับมือหล่อนกระชับแน่นพร้อมกับก้มศีรษะให้ ตอไนี้ผมจะพยายามยิ้มให้คุณเห็นอยู่เสมอโปรดอย่าซึ้งซาอะไรกับผมเลยคนที่ไม่สู้จะมีความสุขสบายนักอย่างผมหน้าตาเราก็ดูเครียดเกรียมตายด้านอย่างนี้แหละแต่ใจจริงผมนะี่ไม่ได้เที่ยงเกรียมกับใครเลยแล้วนะใช่ฉันรู้คุณเป็นสภาพผู้จะตายไปมีคุณธรรมมีมโนธรรมมีมนุษยธรรมและเมตตาธรรมสูงกว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมากมายนะักชีวิตของคุณเป็นชีวิตที่น่าศึกษามากฉันไม่ได้พูดอะไรหรอกนะ แต่อาจารย์บอกกับพวกเราทุกคนอย่างนั้นอาจารย์ให้เชนมาบอกคุณให้ไปพบด้วยมีเรื่องจะปรึกษากับคุณท่านใหญ่พยักหน้ารับคําแล้วหันไปตะโกนสั่งคนของเขาทันทีบุญคําเราจะพักด้วที่นี่ก่อนจากการวางแคมป์ที่นี่ได้เลยวันนี้แต่ยังไม่มีการเลื่นย้ายเป็นหาา น, นาที่สิ้นพ่าลูกน้องเขาทั้งสคนพากันแจกใจพิสดุษหันควับมามองเป็นตาเดียวอ้าวทําไมหรือนายเป็นคําสั่งของนายห้างเอิรนจะไม่รอดถ้าพวกเราผาไปเสียก่อน พวกนายห้าทั้งหลายเขาต้องการแจะช่วยเอิญจนกว่าจะเห็นว่าปลอดภัยแน่นอนแล้วพร้อมบอกกล้องออกไปทุกคนรวมทั้งลูกหาบเอร้องกันอย่างเกลียวกล่าวขึ้นมาด้วยความดีใจเป็นพันนันถึงกับกระโดดตัวลอยใชยโยให้มันได้อย่างนี้สินายก็ออยังชั่วหน่อยหน้านับถึงขึ้มาอีกนิดสืบทิ้งไอ้เอิญไปตอนนี้แล้วก็ใจดำใจโหงเลยความตื่นเต้นกระพี้กระเป๋าเกิดขึ้นทั่วหน้าทุกคนแสดงความยินดีเห็นชัดผิดกาสภาพอันเงียบถืมเศร้าซึม เซจิมบอกมือให้พวกนั้นทุกคนแล้วหันกลับมาทํารินเซร์ว่ารีบไปพบอาจารย์เถอะชวนไปรีเสียงสองคนใหน้เข้าไปด้วยอาจารย์อยจะทราบเรื่องราวอย่างละเอียดว่าพวกนี้ไปยังไงมายัางไงกันละพินแช่มชื่นขึ้นหันไปร้องตะโกนเรียกปโตกับอูทะซึ่งนั่งกอดเข่าจ้องอยู่ข้างซากรพิงบอกมือให้ตามไปด้วยในระหว่างเขาสาวเท้าเคียงคู่ไปกับคริสและทรงพปยังกลุ่มของคณะนายจ้างที่ยังรวงมตัวมาอยุดบนจุด กลุ่มนายจ้างและเชิดวุฒินั่งรองกขาอยู่ก่อนแล้วภายใต้ร่มใบบางของซุ้มไถ่อันเป็นบริเวณดาบเรียบมีผนังกั้นเหมือนห้องคุหาหางจากตำแหน่งที่คนเจ็บนอนดับน้ำเกลืออยู่ออกไปเล็กน้อยขณะที่เรพินเข้าเข้ามาถึงเพ่าทุบคลิและกระเหลี่ยงดออีก2คนเชิญเริ่มมีอาการเคลื่อนไหวกายกระดุกกระดิและโคดอะไรคุณทำในลำคอหมอเปียวยังคงนั่งระวังดูแลคนเจ็บอยู่ดูเหมือนเราจะคอยเฝ้าไม่ให้จะเหลี่ยงคอร้ายขยับไปเยื่แขนข้าที่ให้น้าเกลือ ซึ่งจะทําให้เข็มที่ปักเขมาเส้นเลือดเคลื่อนหลุดออกมาโดยใช้ไม้ไผ่ยาวขนาดศอกเศษทับกับแขนข้างนั้นและมัดดามไว้เพื่อให้แขนเหยียดตรงวางรากประคืนขานใหญ่อยู่ยืนอยู่ที่ร่างของคนเจ็บนิดหนึ่งเพราะเห็นอาการขยับตัวและพูดเพ้เอเชื่อทั้งที่ตายยังหลับอยู่อย่า ก, กังวลเสียงหมอเบลบอกออกมาโดยไม่เงยหน้าระหว่างที่พุกเขาวง่วนอยู่ข้างคนเจ็บเขาปลอดภัยแน่แล้วขณะนี้เริ่มจะรู้สึกตัวอาการพูดเพ้อเป็นเพราะ ฤทธิ์ยาของยาสลบในระยะแรกที่สติเริ่มจะกลับคืนมาอีกสักพักหนึ่งก็จะรู้สึกตัวโดยสมบูรณ์และพินไม่กล่าวอะไรอีกโดยเข้าไปหายอย่างดรสเตอรลี่กีและเชิญพุทธที่นั่งน้อมมองกันอยู่พร้อมกับสุดใจลงยาสงบโดยพยักหน้าเป็นสัญญาณให้พระโตและอูทะนั่งลาดลงด้วยหวังว่าคริสคงจะปอดภัยแล้วว่าเราจะหยุดจุูที่นี่อีกสักวันหนึ่งเพื่อดูอากายของคนคนนั้นจนกว่าจะแน่ใจได้ไดว่าเขาปลอดภัย เพราถ้าขื่นทิ้งไปตอนนี้ก็มีหวังไม่รอดหัวห า, าคณะค้นหาระเ บ, บิดนิวเคลียร์เอ๋ยยิ้มยิ้มตาจับนิ่งไปยังหน้าของมักโครเทสนําทางเพื่อจะสอบหาความรู้สึกภายในประเพินประสานสายตาอย่างค้นหาเช่นกันเป็นความกรุณาของพวกท่านอย่างยิ่งผมขอขอบคุณทายคนเจ็บกับพวกเขาอีกสองคนที่นี่ด้วยที่ได้รับความเมตตากรุณาในครั้งนี้แต่เขาอยักไหลยกมือขึ้นรูปหน้าน่าเสียดายเวลาเหลือเกินวันนี้เราเพิ่งจะเริ่มออกเดินทางกันได้แค่ชั่วโมงเดียวนั้น ก็จะต้องชะงักเ ง, งานลงเสียแล้วเสียเวลาไปเพียงวันเดียวคงจะไม่กระไรนกหรอกเราอยาทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคุณจะเรียกมันว่ามนุษยธรรมหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะผมถามเบลดูแล้วอาการของคุณเจ็บรายนี้ก็ต้องอยู่ในความดูแลใกล้ชิด ข, ของหมอห่างตามไม่ได้เลยตลอด24ชั่วโมงแรกและเบลก็มีจิตนาอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือคนคอร้ายให้รอดตายเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือของเราที่ทําไปแล้วก็จะหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลย คำถามความเห็นจากพวกเราทุกคนแล้วก็มีความรู้สึกตรงตๆกันหมดคือควรจะอยู่เฝ้าดูอาการของคนเจ็บก่อนเมื่อความเห็นตรงมาเป็นเอกฉันท์ก็โอเคคุณหมอเจ้าสองคนที่นั่งหน้าจ้อยอยู่นั่นให้รู้ไว้ด้วยว่าเราจะช่วยรักษาเพื่อนของเขาจิงหัาจะเห็นว่าปลอดภัยแน่นอนและพินหันไปส่งภาษากับพระโตและอุทะตะเรียนดอยทั้งสองมีแววตาส่อความยินดีกับพี่กระเป๋าขึ้นมาทันทีไปยักหน้ากัน ห, หนักหนักและมองมายังกลุ่มของอเมริกันอย่างเรื่อมใสสำหรกในบุญคุณ ทั้สองคนให้ผมบอกกับพวกท่านว่าเขาดีใจและขอบคุณมากครับจะไม่ลืมมือถือครั้งนี้เลยเซรีหัวเราเบาๆพยักหน้ากับคนอย่างทั้งสองแล้วเปลี่ยนสายตาไปจ้องอย่างทันใหญ่ตามเดิมคราวนี้เราก็พ้นนาทีฉุนเฉินกันแล้วทางด้านพวกผมก็ยังไม่เข้าใจอะไรนักว่ามันเป็นยังไงมายังไงที่จูจ่ๆระหว่างที่เธอจะมาก็ได้ยินเสียง M16 สิบนั่นหวั่นไหวไปหมดมินําซ้ํารัวกระสุนบางส่วนยังผ่านเนือที่ศอกพวกเรา ไปได้ยินเสียงแหวะอากาศถนัดตัวเดียวตกใจกันแทบแย่ไม่รู้ว่าคุณกับคริสที่ร่วงหน้ากำลังกอดกอดกับอะไรเข้าให้แล้วก็ได้รับรายงานทางวิทยุจากคริสเป็น เ, าเราจนกระทั่งมาพบคนนอนไส้ทะลั ก, กันอยู่ตรงนี้ซึ่งก็ต้องชื่อเหลือกันเป็นการด่วนย้ำเวลาคุยอะไรกันมากมายนักเดี๋ยวนี้เราพอจะคุยกันได้แล้วไม่ใช่หรือผมอยากจะรู้รายละเอียดที่นอกเหนือไปจากเท้าจะค่คริสเล่้ฟังแล้วเขายังไม่ตอบคําถามของคัวคณะในทันทีนั้นและหันไปพูดจาทักถามชาวดอย ทั้งสงคนดูอีกภักใหญ่ระหว่างที่เบลละมือจากคนเก็บเข้ามานั่งร่วมวงอยู่ด้วยและมองเบงมาระหว่างที่ดับินสมภาษา ก, ก, กับสองเกลียงทุกคนในกลุ่มสเกตินชิาพาร์บูดมีสีหน้าค่อนข้างเป็นสงและเคร่งขรึมเสียงพูดของเขาเบาต่ําแต่เสียงของเจ้าสองคนนั่นลงเล้งไปหมดทํามือทาําม้าประกอบไปด้วยแต่ทั้งกลุ่มก็ไม่อาจจะฟังเข้าเข้าใจได้นอกจากสงบรอคอยเท่านั้นที่จับเชิดบุต อ, อดทนทนไม่ได้ทำแท้จะขยับ ป, ปากสแสแทรกขึ้นมากลางคันเพราะอยากรู้เรื่องเร็ว แต่เซรีเอามือแตะริมฝีปากทำสัญญาณให้เงียบไว้องปรอให้พันใหญ่เจราจากับสองคนนั่นซึ้นติดต่อกันนานถึงห้านาทีในที่สุดเขาก็หันกลับไายังกลุ่มนจ้างกระดกลิ้นออกมาแต่ลิมฝีปากลักษณะลังเลว่ายังไงเพื่อนเรามีความรู้สึกว่าคุณมีอะไรไม่ค่อยสบายใจนะักคำถามขึ้นเบาๆส่วนคุณอื่นๆก็มองเขาเ้าไปตาเดียวกันไม่กระพริบขออภัยที่ผมมีเรื่องจะต้องซักถามพวกนี้นานหน่อยเพราะเรื่องมันมากเกินกว่าที่คิดไว้แต่แรก ผมเองก็เพิ่งจะได้รับทราบเรื่องนี้เองว่าถึงปลายเหตุก่อนก็แล้วกันนะครับคือสามคนนี้ผมหมายถึงอูตะเราชี้มือบอกเป็นลายตัวหนาที่เอ่ยนามพาโตและก็สะเอิญที่กลายเป็นคนเจ็บนอนอยู่นั่นทั้งสามคนเป็นเกลียของหมู่บ้านตะเคียนทองที่เรากําลังจะมุ่งหน้าไปในวันนี้พวกเขามีธุระด่วนที่ต้องเดินทางไปพบผมที่หนองน้ําแห้งโดยกําหนดเส้นทางว่าจะต้องไปพบกั บ, กบเกลียงปรีที่หมู่บ้านสะบอดก่อนต่อจากนั้นจึงจะชวนกันไปพบผม คามจริงพวกเขามาด้วยกันเจ็ดคนเป็นชายกันและนักล่าสัตว์มือชั้นดีทั้งสิ้น่านใหญ่พูดอ้อมแอม้มไม่ค่อยจะเต็มคํานะและเวล ย, ยะไปขณะหนึ่งทําให้ฝ่ายที่รอฟังอยู่เต็มด้วยความกระต๊อกกระใจมาด้วยกันเจ็ดคนและสี่คนหลักบนหน้าคณะถามและพวกนี้ต้องการจะพบคุณด้วยเรื่องอะไรเชววดญวิลคริสและเบลถามพร้อมกันด้วยประโยน์เดียวกันปรากฏนัดไว้และพินเอานิ้วขีดสันจมูก เราะไม่รู้จะตอบคาถามประโยคไหนก่อนอาการเต็มด้วยความอึดอัดเห็นได้ชัดเซรี่โบกมือ ก, กับ พ, กพวกร้องว่าเอาละเอาละใครอย่าเพึ่งถามอะไรเลยปล่อยให้รัพินเล่าไปก่อนเองดีกว่าว่าไงรัพินพวกเรากําลังรอฟังอยู่พวกเข้ามากันเจ็ดคนทานใหญ่ย้าประโยคเติมออกเดินทางจากหมู่บ้านตเคียนทองมาได้เพียงไม่ถึงสามชั่วโมงก็ประจันหน้ากับช้างร้ายโขงหนึ่งชนิดที่หลบเลี่ยงไม่ทันทั้งเจ็ดคนมีแต่ปืนแก๊ ได้พยายามดึงส ก, กัดไว้สี่คนนี้ไม่ทันถุงเกลียวขึ้ยี่แลกเล้วตาถนดแล้วส่วนสามคนนี้ติร์ดเปิดเปิงหนีรอบไปได้อย่างหมดิดโดยหนีพลดการไปคนละทิศคนละทางสเสบียงกลางที่ติดตัวมาก็หล่นหายหมดมีแต่เปืมติดตัวอยู่คนละกระบอกว่าจะตามพบกันได้ทั้งสามคนก็ใช้เวลาถึงสองวันต่อมาพอพบกันแล้วทั้งสามคนก็รวมกลุ่มกันบายหน้าจะลงทรัก บ, บ่อนเพื่อจะชวนกันลงไปยังหนองน้ำแห้งพบผมต่อไปตามที่ได้ตั้งใจไว้ ที่นี่เมื่อคืนนี้เองสามคนนอนพักกันอยู่ในป่าตอนหนึ่งห่างจากที่นี่ออกไปตามคำบอกเล่าของเขาผมกะว่าไม่เกินสิบไม้กระทิงใหญ่ทนตัวนั้นก็ลงมากินดินโรลงไม่ใกล้กับที่เขาพักนอนกันอยู่พันใหญ่ปุ้ยปากไปยังซากกระถิงเจรร้าตําที่บรรดาพวกพลาและลูกหากของเขากำลังช่วยกันแล่นเนื้อชุลมุนยอยู่ในขนาดนี้ความที่อดอยากความที่อดอยากไม่มีอาหารจะกินทําให้อูฐตัดสินใจยิงแต่ไม่ชที่สําคัญจึงไม่อยู่เดิด็จหนีไปได้รุ่งเช้าวันนี้เขาก็ออกตามรอยเรื่อยจนมา กระทิงเก็บตัวนั้นเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในป่าไผ่ที่เราจะเข้าไปอยู่ในขณะนี้มันเป็นเวลาเดียวที่ผมทิสและบุญคำเดินล่วงหน้ามาก่อนพอล่วงหน้ามาถึงบริเวณไผ่นี่พอดีพวกผมพบรอยตีและรอยเลือดของมันรู้สึกว่าก็มีกระทิงใหญ่บาดเจ็บอยู่ในระแวกนี้แต่ยังไม่ทราบสาเหตุมาก่อนกำลังพิจารณารอยกนอยู่มันก็เป็นเวลาเดียวที่อุทะพระโตและสะเอนซึ่งก็สวนทางตามรอยกระิง ตัวนี้มาอีกด้านหนึ่งพบมันนอนอยู่ในพรงรกจึงยิงนั่นคือเสียเอิญนัดแรกที่ฝ่ายเราได้ยินทั้งหมดกระสุนนัดนั้นไม่สามารถจะคว้ามันลงได้อีกมันพุ่งเข้าใส่ทั้งสามคนแต่กระเตือห น, นีไปคนละทิศคนละทางเอิญเคราะห์ร้ายกว่าทุกคนสะดุดเง่าไผ่หกลม้มและถูกมันเหยียบเอาไส้ไหลาจากนั้นมันก็เห็นตะเลยออกมาทางพงที่ซ่อนอยู่โผล่พวดสวนทางออกมายัางเส้นทางดาบเส้นสมคริสต์ลุงทาก็ได้ยืนตรวจรอยกันอยู่พอดีไอ้สี่ พิสุธานออกมาดังๆนี่เรื่องก็ประสานรอยกันได้กับที่ชั้นได้เล่าทุกคนฟังในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวชั้นเองสรุปความชนกันได้ก็คือสามพลนี้ตามลากกระถิ่งเจ็บติดพัน 40, อยู่เป็นเวลาเดียวกับที่ชั้นพาันใหญ่และบุญคํากําลังยืนงงดูรอยตีนของมันอยู่ที่ด้านหน้า น, นั่นแล้วก็เกือบจะรับครอบไปด้วยเพราะกระถิงตัวนั้นชาร์จสามพลนี้แล้วโถตะลุยออกมาชาร์เราด้วยคุณหมายความอย่างนั้นใช่ไหมกระถิ่ง ประโยคลังหล่อนเท้าเขาเสียงสูงจอมพายก้มศีรษะลงนิดหนึ่งครับเหตุการณ์มันก็เป็นไปอย่างนั้นนะครับคราวนี้ถึงว่าต้นเหตุตพวกนี้มีเจตนาโดยตรงที่จะไปพบคุณที่หนองน้ําแท้งเขามีธุระอะไรเอ็เบลผู้อย่างเคี้ยวหอกฝรั่งอยู่เยิเ้มเยิ้ถามมาอย่างชัดเจ น, นช้าๆระหว่างที่นายพรานใหญ่ยังอั้มอึ้งอยู่ดร์เซอรี่ก็เล่าเบ่งเร้ามาอีกว่ายังแมนเราสัญญากันแล้วไงละ่ะว่ามีอะไรเราจะถูกสาหารือ ก, กันอย่างฉันมิตรร่วมตาย คุณไม่น่าจะมีอะไรลังเลอยู่เลยพวกเราทุกคนเป็นเพื่อนของคุณนะ้าทางเขาอึดอัดใจมากและไม่อยากจะบอกความจริงกับเราเลยคริสเปลขึ้นกับทุกคนราธินควักโ้นซิก้าที่ดับไว้ครึ่งตัวใส่ ก, กระเป๋าขึ้นมาคาบต่อสะบัดซิโป้จุดวาบขึ้นเสียงสปริงขวาปิดไลทเตอร์ดังแหลมใสในความเงียบนั้นจะให้ผมบอกก็ได้แต่มันอาจเปเรื่องที่พวกคุณไม่สบายใจนักจากคาบอกเล่าของสองคนนี้เมื่อสี่ห้าวันที่แล้วมันนี่เอง โปรเมยะอันเป็นหัวหน้าหมู่บ้านตะเคียนทองเข้าป่าออกหาสัตว์เข้าไปเจอช้างงาเข้าเชือกหนึ่งลักษณะผิดปลาดไปกว่าที่เคยเห็นมีขนาดใหญ่กว่าช้างป่าธรรมดาเกือบเท่าตัวและงางาทั้งคู่แทนที่จะสีขาวหรือสีเหลืองอย่างงาช้างทั่วๆไปกลับปรากฏว่าเป็นสีดําสนิทเงางาเหมือนสีนินแท้จริงยังไงผมยังไม่ยืนยันนี่เป็นคําบอกเล่าของสองคนนี้ช้างงาดําทุกคนร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกันลื่มตามโครงในว่ายังไง แล้วยังไงต่อไปเลยครับเชิญผู้ถามเร็วหรือแทบจะกระโดดลุกขึ้นมายืนจากท่าที่นั่งคัศมาตัอยู่ความอยากจะได้งาทำให้โอมิยะผากไปยิงมันเข้าด้วยปืนแจ็ทขนาดสาม้องของเขามันไล่ขับทันทีโอมิยะกระเซิงกระเซิงหนีรอดมาได้แต่คนเขาอีกสองคนที่ติดตามไปด้วยจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรไม่มีใครทราบได้ ถ้าปรากฏว่าเมื่อโปรมิยะ ก, กลับมาถึงบ้านสองคนนั้นแม่ปลาขนวิวแววจะโผ ก, กลับมาอีกเลยเขาจะตามไปดูหรือค้นหาก็ไม่กล้าและอีกสองวันต่อมากลางวันแสกแสบเป็นเวลาบ่ายไอ้งาดําก็ยกขโยงของมันประมาณ5้าถึงหกตัวบุกเข้าไปในหมู่บ้านราวกับกองทัพในลักษณะจู่โจมโดยไม่มีใครรู้ตัวมาก่อนล่วงหน้าตรงเข้าทําลายบ้านเรือนและไล่เหยียบยี่คนในหมู่บ้านเป็นโกราห์หนังขลังนั้นโดยการนําของไอ้งาดําซึ่งทุกคนในหมู่บ้านมองเห็นอย่างถนัดชัดเจน ทลายบ้านเตือนทางราบลงทั้ง60กว่าหลังคาเรือนคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะหญิงจะชายลูกเด็กเล็กแด่และคนแก่ถูกฆ่าตายเป็นวัน30กว่าศพทุกคนมีสภาพเหลือเพียงแค่เศษเนื้อคลุกฝุ่นพวกที่รอดตายเป็นพวกที่หลบหนีเข้าป่าไปได้โดยแยกกระจายกันเป็นคนละทิศคนลทางเมื่อช้างโขงนั้นผ่านไปแล้วและคนที่รอดตายซึ่งมีโบมิยะรวมอยู่ในจำนวนนั้นด้วยย้อนกลับไปยังหมู่บ้านก็พบศพ ของพวกที่หนีไม่รอดและความพินาศย่อยยับของบ้านเรือนพวกมันถอนทิ้งไม่มีเหลือแม้แต่เสาของต้นพืชไร่ที่ปลูกไว้ก็ถูกทกาลายราพนาศูนย์หมดสิน้นขณะนี้หมู่บ้านตะเคียนทองที่พวกเรากําลังจะมุ่งหน้าไปนั้นไม่เหลือความเป็นหมูบ่บ้านติดต่อไปแล้วโบมียะอพยพพวกพ่อที่เหลือตายหนีขึ้นไปอาศัยอยู่บนถ้าของหน้าผาสูงชันแห่งหนึ่งที่กองทัก้าจะตามขึ้นไปดังควันไม่ได้เพราะพวกมันยังวนเวียนจ้องที่เจ้าน้ำจองฐ า, านอยู่หยีไม่อย่า ง, างไม่ลดละ ปริมาณของโขงช้างป่าเข้ามารวมกลุ่มเป็นขบวนกันเพิ่มมากขึ้นทุกขณะดูเหมือนจะเป็นจํานวนรอดขึ้นไปแล้วทําให้พวกบอมิยะที่อพยพขึ้นไปอยู่บนถ้าสูงนั้นไม่กล้าลงมาทำกาหากินหรือสร้างบ้านเรือนที่อีกและกําลังเริ่มอดอยากบอมิยะจึงสั่งให้อาสาสมัครเห็ุคนออกเตือนทางมาติดต่อเตือนภยัยพวกสับบอลรู้ตัวเพราะอยู่ในลักษใกล้เคียงและให้ตรงไปส่งข่าวกับผมที่หนองน้ําแห้งซึ่งก็พอดีมาพบกับผมเข้าและพวกเราเสืกอกออย่างเดี๋ยวนี้นะครับ อเมริกันทั้งสี่คนและเชิดฟุตฟังคําพูดเปรียบของเขาด้วยอาการสะลึงทึงเพลิด อ, อ, อาปากค้งางกัไปหมดมองหน้ากันเองไปมาเสียงคิดอุทานอู้หูออกมาในลำคอหนักๆทําหน้าเหมือนถูกผีหลอกเชิดฟุดนั้นทะลึ่งทั่วดขึ้นยืนโดยไม่รู้สึกตัวเบลจุดเชี่ยวมาพับหลังเรากับมีใครมาหยุดก้ามกรามไวค้คริสเปิดตาสีฟ้าโรงอย่างไม่กระพริบส่วนร่นาคณะดอสเซอร์สแตรรี่เอานิ้วแค่หูราพินผมไม่คิดว่าเจ้าสองคนนี้จะเล่านิยายหรอกนะแต่มาเหลือเชื่อจริงๆทีเดียว ผมก็เลี้ยวแล้วว่าไม่ยั้งแค่พวกท่านรับทราบเรื่องราวที่เป็นไปไม่ได้แบบนี้แต่พวกท่านก็ต้องการจะฟังจำพันผูดเบาเบาความสิกาลงต่ําแล้วเส็จคนที่เดินทางมาด้วยกันโดยสีคนถูกช้างฆ่าตายระหว่างทางอย่างที่บอกมาแต่แรกเป็นช้างขรัวหอยดํางานนั่นหรือเปล่าผู้ถามเสียงแต่งพลาดมานั้นคือคิดเขาบอกว่าสงสัยว่าจะเป็นช้างโขรัเดียวกันแต่ไม่เห็นหัวหน้าฝูงที่มีงาดําปนนิดนั้น ในข่าวประจันหน้ากันในครั้งล่าสุดละพินในฐานะที่คุณเป็นชาวมานานคุณเห็นหรือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนไหมว่าชาตตัวไหนในโลกนี้จะมีงาสีดำคริสถามอย่างน้ำเสียงจริงจังขณะที่เริ่มเล็มรินจีปากผมเองนะ่ะไม่เคยเห็นกับตาแต่เคยได้ยินอยู่บ้างเหมือนกันแล้วคุณเข้าใจว่ายังไงเกี่ยวกับความมีสีดาของงานั้น เบลแซงคาถามประดังมาที่เขาแทบจะไม่เปิดโอกาสที่ตั้งตัวจอมพานยักหลทั้งสองลงนิดหนึ่งยิ้มขมขมถ้าตามความเข้าใจของผมงานช้างมันก็ไม่ควรจะเป็นสีอื่นนอกจากสีขาวครีมหรือออกเหลืองเหลืองนวลถ้าหากมันจะกลายเป็นสีอื่นไป บ, บ้างในบางขณะก็แซงว่ามันคงจะใช้งาของมันทิ้มแทงดินโคลนหรือต้นไม้อันมียางซึ่งสามารถจะย้อมสีเดิมของงามันให้เปลี่ยนแปลงไปได้แต่ก็ควรจะเพียนเพียงช่วครั้งชั่วงคราวหรือบางขณะเท่านั้น อย่างไรก็ตามทัพอุทาและภัฒโตซึ่งนั่งอยู่ที่นี่อันเป็นพยานบุคคลซึ่งอ้างว่าได้เห็นกับตัวตัวเองมาอย่างถนาดถนียืนยันว่างานมันนั้นเป็นสีดำสนิทเป็นเงาระยับอย่างหนึ่งไม่ใช่เกิดจากยางไม้หรือดินโคลนเคลือบเอาไว้และตัวของมันก็มีขนาดใหญ่โตผิดปกติไป ม, มากเห็นบอกว่ารอยเท้าของมันลงไปนั่งคัมภีร์ได้อย่างสบายซึ่งถ้าเป็นขนาดนั้นจริงๆผมกะว่าน้ําหนักตัวมันไม่ต่ำกว่า10ตันส่วนสูงก็ไม่หนีสิบสอถึงสิฟุต แต่ก็อย่าเพิ่งเชื่ออะไรมากนะครับคนเรานเวลาตกใจก็สามารถที่จะมองเห็นอะไรผิดขนาดความจริงไปได้เสมอสุดอา้ายนี่แน่ก็คือมันได้ยกพวกมันทลายบ้านเรือนและฆ่าพวกขยินตะเขียนทองตายไปหลายสบทีเดียวขณะนี้ทั้งโบมีเยและพวกที่รอดตายมาก็ขึ้นไปอาศัยอยู่บนถ้ำสูงจริงเพราะทั้งสองคนคนี้ไม่มีเหตุนผลในการที่จะมาโกหกผมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ พวกเราทั้งหมดคงจะได้เห็นกับตาเมื่อถึงสิ่งที่อูถะและพัตโตบอกมานี่เมื่อเราไปถึงตะเคียนทองแล้วโอ๋ยผมว่ามันจะไม่สนุกเสร็จ แ, แล้วนะไม่ต้องไปถึงตะเคียนทองหรอกถึงแม้นเราจะอยู่ที่นี่ก็เรียกได้ว่าอยู่ในลักษณะของมันที่จะมาถึงตัวเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนั้นไม่ใช่หรอเชิญบุตรร้องด้านและพินหัวร้อคือในำลําคอครับตะเคียนทองหาแต่ที่เราอยู่นี่ออกไปเพียงแค่เดินครึ่งวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันบุกที่หมู่บ้านนั่นได้มันก็สามารถจะเดินมาเยียบเที่ยม เราที่นี่ได้ในวิทชาวินาทีใดวิชาที่หนึ่งเหมือนกั น, นมีหนําสั้นหนุนท่าที่เราจะเดินผ่านไปก็อยู่ในลักษณะของมันด้วยเหมือนกันทุกคนเงียบงันกันเปหมดอีกครั้งหนึ่งในวันสุนานั้นคงได้ยินแต่เสียงพวกลูกหาบและพวกผานพนเมืองที่บางส่วนก็ช่วยกันแร่แ้งเน้อกะทิและบางส่วนก็จัดวางแคมป์ก่อร่างเตรียมย่างเนื้อหากออกไปอีกนิดหนึ่ง